แผนทนทีีี่่ชวิต24 2,559 มคเราไปติดบ่วงความรู้นะโดยเฉพาะความรู้แบบตรร ก, กะแบบวิทยาศาสตร์ต้องแสวงหาปฐมเหตุก็เลยกี่ชาติกี่ชาติก็หาไม่เจอหาในสิ่งที่มันไม่มีชีวิตเรามีหน้าที่ปกป้องตัวเองเท่านั้นเองเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนจักรวาลไม่ได้ เราจะไปเรียนรู้เพื่อจะเปลี่ยนมันเหรอมนุษย์เราไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกมีแต่รู้เพื่อจะไปทำลายมันชีวิตเรามีอยู่แค่นี้แล้วก็รู้เฉยๆสิ่งกระทบภายนอกกับอารมณ์ข้างในมันเกิดขึ้นเราก็รู้ไงเห็นหมตอนนี้เราชีวิตเราไปเรียนรู้เรื่องอะไรไม่รู้ <c oughs> เพื่อสแสวงหาออความจริงบางอย่าง ไปแสวงหาความจริงบางอย่างความจริงสูงสุดนะเราก็ไปแสวงหาข้างนอกไปศึกษาเรื่องจักรวาล เ, เรื่องดาร า, าศาสตร์แล้วพอบางนไปรู้เรื่องนิดเดียวปุ๊บเนี่ก็เอาความรู้นั้นนะมาทำลายมันมาทำลายความสมดุลของมันอันนี้เขาเรียกว่าความรู้ผิด สิ่งที่เราต้องรู้พื้นฐานของมนุษย์ทุกคนรู้ว่าตัวเองเป็นใครโครงสร้างชีวิตเราเป็นอย่างไร ห, ไหมอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์เห็นหนี่เป็นงานหลักที่มนุษย์ทุกคนต้องต้องเรียนแต่เราไม่เรียนเราไปเรียนวิจัยเรื่องข้างนอกไปหาความจริง สูงสุดอยู่ข้างนอกชีวิตเรา ม, มันสั้นเกินไปเนะเาะแค่ร้อยปีของเราเนี่ยมันเรียนตรงนั้นไม่ได้หรอกอันนี้เราประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่วิทย า, าศาสตร์วิจัยม า, าแค่ร้อยสองร้อยสามร้อปีเนี่ยนะเราก็มาต่อยอดเนี่ยจนวันนีเน้เราก็ไม่เห็นนะความจริงสูงสุดของเร า, นะาเนี่ยนะท่านในแง่ชีวิตแล้วเนี่ยความจริงสูงสุดเนี่ยต้องเซิร์ชอินไซต์ยัเซลล์นะ ต้องเข้าไปข้างในความจริงสูงสุดมันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอันนี้คือความจริงสูงสุดเฉพาะตัวเราก่อนเมื่อตัวเราเจอความจริงสูงสุดแล้วเนี่ยคนอื่นก็เหมือนกันนะถ้าเราเข้าใจตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาก็เหมือนเราโครงสร้างเขาก็เหมือนเราประกอบด้วยสิ่งเหมือนกันดินน้ำลมไฟ แต่ตอนนี้เราเรียนรู้วิชาข้างนอกอย่าก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยมาอยู่ทํานองคลองธรรมที่มันควรจะเป็นชีวิตเราเนี่ยเหมือนมดมอดตัวนิดเดียวเองนะเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใคร เราจะไปแสวงหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่บนจักรวาลชีวิตเรามันสั้นเกินไปนะแล้วแล้วไม่มีวันเห็นเอาถึงเราจะเห็นเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับชีวิตเรามันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์ของเราปลาเป็นทวนน้าปลาตายตาํำปลาน้ำจืดถ้ามันมักง่าย มันขี้เกียจออกกำลังกายทวนกระแสมันก็ตามกระแสไปเรื่อยๆมันลงทะเลมันตายหมดนั่นแหละคนวิ่งไปตามกระแสโลกตามแฟชั่นตามค่านิยมเนี่ยอันนี้ถือว่าถ้าเป็นปลาก็เป็นปล า, า, าตายทั้งเป็นมีแต่ปล า, าตายเท่านั้ น, น่ะถึงจะตามกระแสในขณะนี้ในเวลานี้ จึงถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตหนึ่งที่เรามีโอกาสมาทวนกระแสมาเสิร์ตอินไซต์ยัวเซลมาศึกษาวิเคราะห์เข้าไปในตัวเองเรากำลังทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมกระแสธรรมไม่เกี่ยวกับศาสนานะ ศาสนาพูดถึงเรื่องธรรมนั่นแหละแต่และศาสนาก็มีอุบายวิธีที่ต่างกันแต่เป้าหมายมันไม่ได้ต่างกันหรอกล้วพูดเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณมันอยู่ข้างในอยู่ในตัวเรามันไม่อยู่ข้างนอกกระแสธรรมมันก็อยู่ข้างในกระแสโลกเราต้องลืมตาเขาบอก p อ n m i ไม เปิดตา ก, กว้างๆหูตากว้างไกลนั่นเราถูกสอนไงนะแค่ใกล้ๆคนข้างตัวเราได้ยินนีก็หงุดหงิดทะเลาะกันไม่หยุดไม่หย่อนแล้วยังเปิดหูไปดูเรื่องปัญหายากๆปัญหามากๆ ม, มายก็เอาขยะเข้ามาอีกเพิ่มอารมณ์เครียดเพราะความอยากของเราแต่กระแสธรรมความจริงที่เรากำลังแสวงหาอยู่เนี่ย อยากก้าวหน้าต้องถอยหลังต้องเริ่มจากหลับตาก่อนเราจึงจะเห็นตัวเองทางโลกบอกให้ลืมตากว้างๆมองไกลๆจนไอ้สิ่งใกล้ตัวเนี่ยคนข้างตัวก็คุยกันไม่รู้เรื่องน่ะมันมัวแต่ไปมองไกลอยู่จนความจริงที่อยู่ข้างตัวเนี่ยก็ไม่เห็นเรียนไปไกลๆไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ ทางด้านภาษาศาสตร์กลับมาบ้านคุยกันไม่รู้ภาษาเพราะไปมองไกลๆมองแต่ข้างนอกจนไอ้ใกล้ตัวก็มองไม่เห็นเราทำอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นคุณคือสิ่งที่คุณทำ you are what you do อันนี้เป็นกรรมนะกรร ม, มไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์กรรมคือการกระทําเราทําอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเราแบกเราก็หนักเราวางเราก็เบามันเป็นอะไรตรงไปตรงมาเราหลับตาเนี่ยโอกาสเห็นความจริงมีแต่ถ้าโลา ลืมตาเนี่ยมีแต่เห็นสิ่งปรุงแต่งเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราไม่สามารถเห็นความจริงได้ทุกอย่างเป็นมายาภาพหมดคําว่าสํารวมระวังสํารวมระวังตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติเราไม่มีการกระทําโดยการจ้องระวัง ถ้าไม่สัมรวมระวังปึ๊บเนี่ยเราจะเผลอเพราะกิเลสเรามันไม่ชอบเรานั่งอยู่เฉยๆอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันจะดึงให้เราไปคิดวิเคราะห์ทำไม่ทำไม่ทำไม่นะพอคิดปึ๊บเราหลุดละเราเผลอไปสร้างมโนกรรมมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วนะแต่เผลอปึ๊บ ได้สติคืนมาก็ดึงกลับมาเหมือนเก่าอันนั้นถือว่าเป็นบทเรียนไม่ต้องไปคิดเพิ่มอย่างนะ้เอ้ยเราไม่น่าเผลอเลยเอาน่ะเมื่อกี้เผลอหนึ่งแล้วพอคิดปุ๊บเราไม่น่าเผลอนี่อันนี้เผลอที่สองเผลอคิดอีกแล้วนี่คือกิเลสนะแค่นั่งเฉยๆเราจะเห็นกิเลสเราชัดถ้าไม่รู้เฉยๆนะ เผลอปุ๊บรู้สึกรู้สึกนี่ดึงเข้ามาแล้วดึงเขามารู้สึกแล้วนะรู้สึกปุ๊บในเวทนาเกิดขึ้นทันทีมันบันทึกสัญญาใหม่แล้วว่าเรารู้สึกดีหรือไม่ดีรู้เฉยเฉยไม่ต้องสึกนะพอเห็นความคิดตัวเองนะถ้าเผลอปุ๊บ เบื่อความคิดอ้าวโดนตีหัวอยู่แล้วเห็นไมรู้สึกเบื่ออยู่แล้วนะเขาเอาทุกช่องนะเห็นหหน้าที่เรามีอย่างเดียวนะอยู่ในท่านอนท่านอนเฉยๆนะไม่ได้ท่านอนหลับนะถ้านอนไปด้วยหลับไปด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉยละ อะไรนี้เราคอรับชั่นหน้าที่เราละ่ะถ้าเวลานอนเราก็นอนถ้าเวลากินเราก็กินแต่ถ้าไม่ใช่เวลานอนเราน อ, นอนเนี่ยไม่ใช่ธรรมะนะไม่ใช่หน้าที่มันเป็นกิเลสไม่ใช่เวลากินเราไปกินเพราะมันอร่อยอันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่อันนี้ก็เป็นกิเลสเพิ่มอาหารให้กิเลส กิเลสเป็นกลางๆมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ดีเลิศนะอยู่ที่ว่าเราจะบ่มเพาะกิเลสไปดังด้านใดกิเลสคือความเคยชินเท่านั้นเองนะเราบ่มเพาะแบบไหนแล้วก็เป็นแบบนั้นถ้าเราเข้าใจภาษาผิดเนี่ยคำว่ากรรมเหมือนกัน กรรมปุ๊บเรมองในแง่ลบทันทีว่าสร้างกรรมสร้างกรรมกรรมคือการกระทําเรากระทาดีก็กลายเป็นกรรมดีเรากระทาชั่วก็กลายเป็นกรรมชั่วออกรรมดีเขาเรียกว่ากุศ ล, ลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอากุศ ล, ลกรรมมันมีสองด้านกิเลสก็เหมือนกันกิเลสที่ดี เราฝ่ายดีก็ดีแล้วแต่ถ้าเป็นหลงดีเมื่อไหร่เนี่ยนะกลายเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งหลงทําดีจนทรมานตัวเองไม่หลับไม่นอน อ, อ, อยากให้มันสําเร็จอยากทําความดีจนตัวเองเด้งอันนี้กลายเป็นสิ่งชั่วร้ายทําดีก็ดีแล้วทําแค่พอดีแต่ไม่ติดดี แล้วก็ละชั่วละชั่วเนี่ยไม่ใช่ลังเกียจชั่วมากมายไปดูถูกคนอื่นนะเราดูถูกคนอื่นปุ๊บก็เป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งนะเรายอมรับ ว, ว่าชั่วเป็นแบบนี้เราละมันเราไม่ต้องไปทํามันเท่านั้นเองแต่เรามันทําลายมันไปจากโลกนี้ไม่ได้มันเป็นของคู่มันมีไว้ให้เราเรียนรู้ เมื่อเรารู้แล้วทั้งดีทั้งชั่วเราก็ไม่ไปติดทั้งนั้นแหละเราก็ทำดีทำแค่พอดีไม่ติดดีแล้วก็ละชั่วไม่ได้ปฏิเสธชั่วแล้วก็ไม่ไปหลงชั่วแล้วก็ถ้าเราเห็นตัวเองเราก็รู้ว่ามันเปื้อนมันหลงเปื้อนมาแล้วต้องนมนานไม่ต้องลังเกียจตัวเองอีกถ้าเรารู้เราก็ไม่ทำให้มันเปื้อนเมื่อมันเปื้อนแล้ว แล้วก็ชำระล้าง ข, ขัดให้มันสะอาดไปเรื่อยๆเนี่ยทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ขัดเกาให้มันสาดไปเรื่อยๆนี่คือเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ทุกคนส่วนหน้าที่รองลงมาทุกคนต้องอยู่ได้ต้องดำรงชีวิตนะเราก็ต้องมีอาชีพอาชีพชอบอาชีพที่ชอบคำว่าชอบคือ ไม่มีการเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเป็นกลางแค่พอดีถ้าทำเกินพอดีหรือขี้เกียจเกินไปเรียกว่าไม่ชอบนะทั้งเกินไปทั้งน้อยไปเนะี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์น้อยไปมันไม่พอกินเกินไปร่างกายสุดโทม ความเครียดเกิดขึ้นมาโรคภัยใกล้เจ็บก็เบียดเบียนมันไม animal, ่ใช่ชอบถ้าเราแปลธรรมะว่ามันเป็นศาสนาศาสนาในกระช่างเราคิดว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็ปฏิบัติศาสนาไปจลนโจนลงศาสนาตัวเองจนไปขัดแย้งศาสนาอื่นเนี่ยมันเข้าใจผิดถ้าเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่ลิงก็อยู่อย่างลิง เสือก็อยู่อย่างเสือช้างก็อยู่อย่างช้างเห็นไมต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดไม่ต้องเป็นทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกันแต่ถ้าเราไปเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยต้องไปยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบของาศาสนาของแต่ละคนเราก็ไปหลงมันล้วก็ เอาความหลงนั้นเกิดที่ติมานะมาขัดแย้งกับาศาสนาอื่นทะเลาะกันอันนั้นไม่ใช่ธรรมะไอ น, นั้นเป็นลัทธิอุดมการณ์ผลคือเราต้องทุกข์แน่แน่เราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์ทุกท่วนหน้าสาธารณะทุกข์เพราะเราไม่เคยศึกษาธรรมเราไม่เคยศึกษาความจริง เรามัวจะไปศึกษาลัทธินิกายนะจริงๆแล้วศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราศึกษาความจริงแต่ทำไปทำมาเราก็ไปยึดมัน่นถือมั่นในความเชื่อของตัวเองและกลายเป็นลัทธินิกายที่ต่างกันก็เลยเข้าไม่ถึงความจริงแถมยังสร้างกรรมใหม่อีกขัดแย้งกันทะเลาะโบวแหวงกัน อยากรู้ความจริงเปลี่ยนคำพูดใหม่คำว่าอยากมันมินเมอเอาเป็นว่าต้องการรู้ความจริงมันอ่อนลงมาหน่อยหนึ่งต้องอยู่เฉยเฉยไม่ต้องผ่านความคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ปุ๊บมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสิ่งปรุงแต่งทันที มันง่วงเราก็รู้รู้เฉยเฉยถ้ารู้สึกปุ๊บเนี่ยมันเผลอที่จะไปง่วงตามมันเราจะถูกอารมณ์ง่วงนั้นดึงเข้าไปเป็นมันมันเบื่อเราก็รู้เฉยเฉยมันเมื่อยสังเกตไหมนอนอยู่เฉยเฉยมันบกนก็บอกว่าเมื่อย เราลองใช้วิจารณญาณเราเองนะหลังจากออกจากนี่เอ้นอนเฉยๆมันทำไมเมื่อยไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยมันเมื่อยจริงไหมอันนี้เรียกว่าทรอารมณ์ละมันไม่ใช่เมื่อยจริงๆของกายภาพเราเดี๋ยวนี้มันเป็นอารมณ์เก่าที่มันสะสมความเมื่อยไว้นั้นแล้วเนี่ยพอตอนเรานิ่งๆปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็แสดงตัวผุดขึ้นมาเลยว่าออชีวิตเรานี่ทําตัวเองเมื่อยเมื่อย แต่เนื่องจากเรามีความอยากเราก็กบเกินความเมื่อยนั้นเห็นไหมความเมื่อยนี่มันสะสมไปนานๆๆๆจากความเมื่อยกลายเป็นความเดี่ยงร่างกายเราเดี่ยงหมดนะดินน้ำลมไฟแปรปรวนลมปานไม่เดินเดี๋ยวโรคภัยแค่เจ็บก็เบียดเบียนนี้นอนอยู่เฉยๆเห็นความจริงแล้วว่าตลอดชีวิตเราเราใช้ร่างกายเนี่ยนะ แล้วก็จิตใจเนี่ยมากมหาศาลเราไม่เคยดูแลเขาเท่าไหร่เราไปดูแลแก้ปัญหาแต่ของนอกกายตอนเรานอนอยู่เฉยๆมันจะแสดงให้เห็นว่าเรามีอะไรบ้างเมื่อยเมื่อยขาก็ชาชาเห็นหมด นอนอยู่เฉยเฉมันเมื่อยได้ยังไงแต่เวลาเราออกกำลังกายวิ่งจนเหงื่อไหลใครย้อยหอบแ h e c แ h กๆตอนนั้นถึงจะเมื่อยเราก็ไม่เมื่ อ, อยงไงเพราะเรามีความอยากเราอยากแข็งแรงอยากชนะเห็นไหมเราก็สะสมความเมื่อยนั้นอยู่ในจิตได้สำนึกเรากลายเป็นสัญญาเรียกว่าธรรมลม อารมณ์ทางธรรมชาติที่เราบันทึกไว้มันไม่ใช่เมื่อยปัจจุบันไม่ใช่เมื่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้เสียเวลานะเพราะกูก็จะเริ่มต้นก็รบกวนเวลาพวกเรานะก็ใช้มีสองหัวข้อใหญ่ๆนะหัวข้อแรกมีคำถาม ทำไมต้องฟิตเนสโดยเฉพาะ26ปีตอนนี้ขึ้นปี27แล้วละ่ะเอาเป็นว่าเป็น27นะพากครูใช้คำว่าดีไม่ใช่หนีมาไม่ใช่หนีมาเราหยุดชีวิตถอยมาอยู่ที่แรกถอยมาอยู่บ้านกรุงเทพก็หนีเสือป่าจระเข้ เรอยู่เมืองนอกก็จริงอยู่แต่เป็นเมืองที่สงบเนะอะฟลอริดาเนี่ยเซาฟลอริดาไมอามี่เนี่ยเป็นเมืองสมัยก่อนเป็นเมืองผู้ดีเป็นที่ประกวดนางงามจักรวาลแห่งเดียวในโลกนะเป็นที่ตากอากาศแต่ช่วงหลังนี้ก็มีพวกเซาว์อเมริกาพวกอเมริกาใต้แบบเข้ามาเยอะมาก เพราะกูไปอยู่ตอนที่ช่วงหัวเรียกหัวต่อพอดีนะทีนี้คนอเมริกันเขาก็พิมพ์สติ๊กเกอร์เนี่ยมาติดหลังรถเขาบอก last อเมริกัน don't forget donation ฝากคือคนอเมริกันสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมเอาธงชาติอเมริกันไปด้วยเขาพูดเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนไปนั่นน่ะก็วัฒนธรรมอย่างอื่นก็เข้ามา <c ười> หลังจากพวกกู เกิดสภาวะทมอย่างหนึ่งไม่รู้ไม่เรียกชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันระเบิดปุ๊บเนี่ยพ่อครูก็หยุดชีวิตแล้วก็ถอยมาอยู่บ้านกรุงเทพก็ไม่ใช่ไปอยู่บ้านเชียงใหม่ยี่สิบกว่าปีก่อนเชียงใหม่ยังอากาศเย็นไม่วุ่นวายขนาดนี้แต่ก็ยังไม่ใช่ก็กลับมาอยู่บ้านอุบลใช้คำว่ากลับเพราะพ่อคูเกิดอยู่ที่อุบลบ้านหลังเก่ายังอยู่นะ ก็เอาน้องขีนไปฝากโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กแห่งหนึ่งน้องขีนสามขวบสองขวบขวบสามขวบครูเขาก็ถามว่าเพื่อนเขานะพ่อทําอะไรพ่อเป็นหม อ, เ, อ, อเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการเป็นอะไรน้องขีนบอกพ่อหลับตาเกิดมาเขาก็เห็นพ่อหลับตาเนาะเขามาเล่าให้ฟังพ่อครูก็เลยย้ายมาอยู่ในป่า ก็หนีเสือป่าจละเข้อีกถอยถถอยๆมาจนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นอีสานใต้สุดไปดูแผนที่ข้ามไปฝั่งล น, นกะลาวลงไปนี่ก็เขื่อนศรลินทร์พวกครูมาตอนที่อำเภอศรลินทรยังไม่ได้ตั้งเป็นอำเภอมาปีหนึ่งปุ๊บค่อยๆคอย่ค อ, ยค อ, ยคอยตั้งเป็นอำเภอนะตอนนั้นก็แสดงว่าพวกครูเป็นคนอำเภอศรลินทรคนยุคแรก คิดว่าคงวัฒนนิยมที่พ่อครูพ่อคูอคไม่รังเกียจนะทุนนิยมวัฒนนิยมก็ก็เป็นเรื่องวิถีชีวิตหนึ่งพ่กคูไม่เคยไปรบกวนเขาเปยนแต่ว่าชีวิตเป็นของเราเราสามารถจัดแจงชีวิตเราได้ก็มาอยู่ตรงนี้ถ้าภาษาทั่วไปบอกอยู่ในลืบลาวนีนเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีทะเลในโซนนี้นะตอนนี้พ่อครูรู้แล้วทําไมมาอยู่ที่นี่ การสร้างกรรมเนี่ยมีหนึ่งการกระทําคุณทําอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะทดีดีทาชั่วชั่วอีกกี่ล้านปีใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็มีเรื่องเงื่อนไขเวลาถ้าเวลาไม่ส่งผลเนี่ยทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่เกิดทา ม, มิ่งแล้วก็มีเรื่องสถานที่ด้วย ตอนนี้เขาแบ่งส่วนมาอันนี้ประเทศฉันประเทศเธอแล้วประเทศนี้สมว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขามีไอเดียแบบหนึ่งคนนี้ประเด็จการคนนี้เสรีคนนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็สร้างกำรลรร่วมในประเทศนั้นบังเอิญที่นี่ลาวเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีทะเลการสร้างกำ ร, รมทางทะเลไม่มีแล้วก็เขาเคยเป็นลบสงครามกลางเมืองแล้วก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ น, นี่เป็นสังคมนิยมเขายังมีเกาะป้องกันตรงนี้อยู่เพื่อกันวัตถุนิยมแต่ว่ากันไม่อยู่แนละ้วเริ่มเข้าไปแล้วเนี่ยไปดูช่องเม็กเนี่ยสินค้าเต็มไปหมดเลยเพราะว่าทุกประเทศในโลกนี้ถูกบีบคุณต้องเปิดแต่เขาเปิดอย่างระวังไม่ใช่โลโมบอยากได้จนทั้งแจกทั้งแถมวีซ่าไม่ต้องอะไรมาปุ๊บตอนนี้อีเปิดปุ๊บเนี่ยมันเข้าประเทศหนึ่งได้มันไปถึงประเทศหนึงฝรั่งเศสได้ถูกบอมโดนอะไรมันเข้าไปง่าย นะแต่ตรงนี้เขายังมีลัทธินิกายเขานิบล็อกไว้อยู่ความบริสุทธิ์เขายังอยู่เราเข้าไปปุ๊บต้องเสียค่าก็ เ, าเรียกว่าเหยียบแผ่นดินเขาไม่ใช่เขาอยากจนว่าถือหนึ่งแถมหนึ่งนี่คือกรรมที่เขาสร้างไว้ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีทะเลนะประเทศที่อยู่ข้างทะเลทั้งโลกนี้ก็เตรียมตัวรับกรรมนะถ้ามันร้อนอีกแค่หนึ่งองศา น, นี่น้ท่วมโลก ทีนี้เราถอยมาอยู่ตรงนี้ถอยจนแปะลาวข้ามไปฝั่งนั้นก็สมมติว่าเออประเทศเหมือนเราไปอาศัยเขาพวกคูเคยไปอาศัยยูโอเมริการู้สึกยังไงก็ช่างเราเป็นพลเมืองประเภทสองถึงจะเสรียังไงก็ช่างมันเป็นคำพูดแต่ความเป็นจริงไม่ใช่มันยังมีแยกอยู่นะก็สาหรับพวกคูไม่มีไม่มีแยกแต่ว่าสมมติบัญญัติของการบริหารประเทศมันแยกไง เห็นไหมข้ามไปปุ๊บนี่คนละละทัทธินิ่กายอันนี้ของฉันของเธอก็ก็คิดว่าอยู่นี่ปลอดภัยแล้วนะย่างปียีสบเจ็ดมันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะวันดีขึ้นดีเขาคิดสนุกเขาเปิดอาเซียนที่นี่เป็นประตูเลยนะไม่ใช่ในหลืออยู่นะมันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยี่บ็ดปีพศยี่สิบหกปีที่ผ่านมาเห็นไหมหนีมันพ้นไหม มันก็ทำให้เราเห็นมามันไม่เที่ยงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรก็ช่างกระทบไม่กระเทือนพ่อครูแน่แต่คนข้างตัวพวกครูเด็กๆยากจนแถวนี้เนี่ยต่อไปเขาจะลำบากแน่ๆนะพวกครูพูดเมื่อตอนไปเปิดศูนย์กรุงเทพเร็วๆนี้นคนชนบทเขาจนอยู่ดีๆเขาจนอยู่ดีๆ แต่นักวิชาการเราเนี่ยมาสอนให้เขายากจนบางคนเข้าใจเอจนอยืนมันจะดีได้ยังไงพ่อครูมาทันนะบริสุทธิ์มากไม่มีถนนบางคนมาบ่นอุ้ยพ่อครูเนี่ยทำไมมาอยู่ไกลๆเข้ามายากยากถนนก็ดินโอ้โหทุกวันนี้ดีมากเลยนะสมัยก่อนไม่มีถนน ข้ามาทางนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งโน้นนะหมู่บ้านอยู่ฝั่งโน้นมีล่องน้ำไม่มีสะพานข้าไม่ได้พวกกูต้องนั่งเรือข้ามมานะออถนนเข้ามาในหมู่บ้านจากถนนใหญ่นั้นเป็นลูกหลังตอนนี้เป็นลาดยางนะนะส่วนถนนใหญ่ที่ช่องเม็กไปนั่นก็เป็นแค่ลาดยางสองเส้นเล็กๆแต่ตอนนี้เป็นสี่เลนอะไรก็แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเนะี่ยพวกกูมาตั้งแต่ไม่มีถนนเข้ามาในหมู่บ้านนี้ นะเป็นทางเกลียนมาถึงในหมู่บ้านในหมู่บ้านไม่มีทางข้ามมาเราต้องนั่งเรือข้ามมานะเพราะครูมาอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบ1 1ปีไม่ไม่ใช่จากเมืองนอกมาอยู่บนนอกสิ่งจุดที่เราอยู่นี่ไม่มีบ้านมาอยู่ป่าสิบ1 1ปีมาลิมรถความสงบเย็นของธรรมชาติจิตใจข้างในมันเย็นอยู่แล้วมันอยู่ที่ไหนก็เย็นแต่มันเลือกได้มันก็เลือกที่ว่าสิ่งแวดล้อมก็สงบเย็นด้วย 11ปีไม่มีไฟฟ้าพระครูพากันปฏิบัติเนี่ยพระครูใช้เสียงละขังส1ปีเต็มๆแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีวันหยุดปฏิบัติแม้แต่หนึ่งวันนะถือว่าท่านในทางจิตวิญญาณศาสนาเนี่ยเราปฏิบัติบูชาทุกวันมันเป็นวิถีของเราฝนฟ้าจะลงอากาศเป็นยังไงก็ช่างเราปฏิบัติทุกวันมันเป็นวิถี ก็พูดให้ฟังว่าเรียงลำดับมาโอเคเริ่มสร้างสะพานไฟฟ้าเริ่มมาหนุม่มสาวเขาจนอยู่ดีๆไปสอนให้เขายากจนเพราะอะไรอุ๊ยมันไม่เจริญก้าวหน้ามาทาวิชาชีพนั้นอาชีพนั้นอาชีพนี้แล้วก็ส่งเสริมให้เขาไปกู้เงินเขาไม่ได้เรียนวิชาบริหารเงินเขาก็เลยเจ๊งหมดนะที่เราขับรถเข้ามาเนี่ย สวนยางต่างๆนี่ไม่ใช่ของเขาไม่แต่หนึ่งแปลงหลุดมือเป็นของคนอื่นหมดตอนปี4ี่ศเศรษฐกิจล่มเขากลับมาไม่มีแผ่นดินอยู่พ ก, กูต้องหาที่เนี่ยแบ่งให้เขาสร้างบ้านในขณะที่สมัยก่อนที่ของเขาหมดในะความเปลี่ยนแปลงเพราะเขายากจนแล้วไงเพราะเขามีหนี้แล้วตอนนี้ยากละ ไม่จ่ายเขาก็ยึดที่หมดนอนไม่หลับสมัยก่อนจนอยู่ดีๆพ่อครูมานี่เขาพาพ่อครูไปเก็บเห็ดนะไปเอาหน่อไม้หุ้ยในโลกนี้มีอาหารเทียบเลยไม่ต้องซื้อด้วยไม่มีสารเคมีต่างหากลงไปในเขื่อนนี่ปลาเนี่ยปลาช ะ, ลชะโดเนี่ยเอามาแขวนไว้นี่สูงกว่าพ่อครูอีกตัวใหญ่มากนะเต็มไปหมดตอนนี้0ูนพันละ เนื่องจากเขายากจนล่ะเอาทุกอย่าง ม, มันจะทีนี้เมื่อถนนเข้ามาใช่ไหมขายได้ใช่ไหมไอเห็ดที่เราเคยไปเก็บนะตอนนี้ในหมู่บ้านนี้มีเห็ดอยู่สองแห่งคือในศูนย์กับที่ไล่แหลมทองพ่อกูพ่อกูรักษาไว้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านนอกนั้นศูนย์พันหมดโล่งเตียนหมดเห็นไหมเรามีซูเปอร์มาร์เก็ตแบบธรรมชาติไม่มีต้นทุนไม่มีกาไรไม่มีขาดทุนไม่มีราคามีแต่คุณค่าสาหรับชีวิต ตอนนี้มันเกือบจะหมดไปในสังคมไทยแล้วคนจนตายหมดแล้วเหลือแต่คนยากจนเขาอยู่ดีๆของเขาเอาล่ะยากจนยังไม่เป็นไรเพราะครูพยายามหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านเดือนไหนไม่ส่งเงินมาทั้งแก่ทั้งเด็กไม่มีจะกินไม่ต้องมาเช็คนะแถวนี้คนรวยคนจนจนหมด พ่อครูก็เลยต้องเปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนไปปิดเรียนมาตอนเช้าเอามูนิธิไปรับเขามานะมาล้างเขาสะอาดกลับไปบ้านมันก็เปื้อนอีกเพราะว่าเขาไปเอาวัฒนธรรมในเมืองมาวัตถุนิยมนะพวกอบายมุขเอด็ดแล้วช่วงหลังนี้ที่รุนแรงที่สุดคือการอย่าล้างเกิดขึ้นพ่อไปทางแม่ไปทางลูกมีพ่อไม่แม่เหมือนไม่มี นี่คือสังคมพัฒนาไงนะยากจนยังไม่เป็นไรเรายังอยู่กันแบบอในเขื่อนก็ปลาเอาเป็นว่าหายไปเท่าไหร่นะถ้าตอนนั้นมีร0 0เหายไป 70% เหลืออยู่ 30% มเรหลือแต่ปลาตัวเล็กๆแล้วก็บ้านพักพ่ะ ก, กูอยู่ริมเขื่อนพอดีพ่อ ก, กูเห็นทุกวันเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นมันเปลี่ยน สมัยก่อนเขาก็ขนเนี่ยไม้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะยาวยี่สิบเซนติว่าสมัยก่อนพ่อค้าเนี่ยลงเลื่อยก่อนจะกั้นเขื่อนเขาตัดตัดตดตแถว น, นี้ไม้ดงนะป่าปาดงดิบนะที่พรบพ่อครูเขาเรียกว่าหนองสี่เหลี่ยมเป็นที่ช้างมากินน้ําไม่มีชาวบ้านกล้าไปอยู่พ่อกรูไปสร้างอยู่บนหนองนั่นแหละขนะเขาก็ขนขนขนขนมาเอาออกซิเจนไปลงไปในน้ําก็ผูกเชือก ดึงมันขึ้นมาแล้วก็เอาไปขายขายขายมันหมดตอนนี้ไอ้สมัยก่อนเขื่อนชินรุ่งกทมเนี่ยน้ําลดต่อผุดเพราะว่าไอ้ต้นไม้ที่มันยืนตายเนี่ยมันยังเยอะอยู่ทีนี้ก็ไปตัดตัดตัดตัดตัดตั ด, ตดเอามาขายตอนนี้หมดตอนนี้น้ําลดไม่มีต่อผุดละก็ยังไม่เป็นไรยังมีปะกาลังอยู่ โคนไม้นี่ยไปกาลังให้ปลาแก้วปลาส้อ ย, ยที่หลบซ่อนของปลาตอนนี้ก็ไปถุดลากถอนโคนโอท็อปโอท็อปไม่ใช่เขาไม่ขยันนะคนอีสานไม่ใช่ขี้เกียจนะเขาก็อยากได้แต่เขาเขาไม่เาคำนวณไม่เป็นเขามุดน้ำไม่มีใครขยันเหมือนเขานะมุดลงไปตอนนั้นเรื่อยนะเอามือเรื่อยนะตอนนี้ ไปขุดอะ่ะขุดโคนอะ่ะขุดลากถอนโคนเห็นไหมทําลายล้างจนขุดลากถอนโคนขึ้นมาทําเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จนอยู่เหมือนเก่าทําเกือบตายเขาก็เอารถมาขนปุ๊บขายราคาถูกๆ ก, ก็ไปเขาคํานวณไม่เป็นว่าเขาไม่คิดค่าแรงตัวเองตอนนี้เป็นเรื่องแหละเมื่อปลามันไม่มีที่หลบซ่อนเนี่ยปลาเล็กปลาซ้อยเนี่ยเห็นไหมพอตอนเดือนมืดเนี่ยเขาไปตักกระชังตักกระชังตักกระชังมันกําลังจะสูญพันธุปลาใหญ่ก็ไม่มีปลาเล็กกิน ป้าใหญ่ก็กำลังศูนย์พันโลกนี้เหมือนกัน G 7 G 8นะเปิดบอนแข่งกันแต่งให้มันสวยๆมาล่อปลาเล็กนี่มาเล่นบ่อนเพราะครูตอนหนุ่มๆ น, นั้นเพราะกูดื้อมากนะทําหมดแต่ว่าแปลกมากเพราะกูไม่เคยติดกินเหล้าเยาอะสู่บุรีวันหนึ่งสรัรเบองแต่ไม่เคยติดนะเอ่อคือติดอะไรติดกิริยาแต่เพราะูไม่เคยดูดเข้าไปในบนในท้องเนี่ยนะ ป, ปุ๊บ๊เป็นแค่กิริยานะ ไอ้เพื่อนที่สุบด้วยกันเนี่ยเป็นมะเร็งตายหมดเพราะคูไปเล่นการพนันนะสมัยก่อนอยู่สีพญาพรอคกูค้าขายไต้หวันเป็นเอเย่นพวกเครื่องสีข้าวเขานะ่ยไปทุกเดือนขากลับมาพระกูต้องแวะฮ่องกงไปเอาเงินทุนคืนเที่ยวนี้ใช้จ่ายไปห0 0พันเหรียญพระคูจะไปหมาเกาเราเงินสดไปเขาให้เราเล่นไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นชิป ไปเล่นเกมเขาก่อนพอเปลี่ยนเป็นชิปปุ๊บชิปเขาเต็มโกดังเลยเราสู้มาได้ัหมไม่มีทางนะพ ก, กูแทงสูงห0 0พันมันกินปุ๊บพ ก, กูหัวล่อพ ก, กูหัวล่อมากเราแทงผิดมีความสุขมากกับที่เราแทงผิดนะพ ก, กูก็แทงใหม่สูงหมื่นหนึ่งมันกินอีกก็หัวล่ออีกเอาละผิดแล้วที่ยว น, นี้ผิดสองครั้งแล้วพว ก, กูก็แทงไปหมื่นห พอกินปุ๊บคือถูกกินก็หัวเราะเราได้แล้วก็หัวเราะเราก็เดินหนีได้ทุนค่าใช้จ่ายคืนเขาไม่เคยได้เงินพ่อครูสักบาทนึงแล้วก็พ่อครูไม่เคยได้มากกว่านั้นถ้าเราคิดว่าอุ้ยดวงดีปุ๊บเราใส่หมดเลยก็หมดจริงๆบอกใสหมดเลยมันก็หมดจริงๆไงเราเป็นพู้เด็ว่าใส่หมดเลยมันก็หมดเราไม่มีทางสู้เขาได้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก จี g จ็ดก็เปิดบ่อนเอาปลาเล็กไปเล่นเนี่ยเจ๊งหมดทั้งโลกเฮ้ยเจ๊งไม่ได้นะเสียเครดิตฉันจะเอาเอ็มเอนี่มาช่วยเธอนะเงินก้อนนี้ช่วยเธอเธอต้องไปจ่ายเจ้าหนี้นะเดี๋ยวมันจะเสียเครดิตห้ามไปใช้อย่างอื่นแล้วก็ต้องรัดเข็มขัดแล้วก็แลกกับทรัพยากรของเขาแล้วเขาได้เงินไปทําไมเขาก็ไปทําบ่อนเขาจเจริญขึ้นพวกแข่งกันเองตอนนี้บ่อนใหญ่ก็กําลังจะเจ๊งหมดล้ทรัพยากรของโลกมันหมดละ นี่กระบวนการมันผ่านมาพราะกูก็เห็นอะไรไงนะวันดีคืนดีเขาคิดสนุกเขาเปิดอาเซีย น, นต้นปีนี้ประกาศอาเซียนแล้วนะอยู่ในหลืบกลายเป็นประตูเลยประตูหน้าเลยช่องเมกเราเนี่ยพราะกูเห็นหลังๆแล้วอนาคตคนที่นี่เป็นยังไง พ่อครูอยู่ในป่าไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขามาบอกพ่อครูเองนะอาทิตย์ก่อนมีผู้หญิงสองคนมาจากหลวงพบางคนพี่สาวเนี่ยทำงานอยู่ลัสเวกัสฟังยูทูปพ่อครูสามปีกลับมาชวนน้องสา ว, น, สาวน้องสาวเปิดลานเสริมสวยที่หลวงพบางเนี่ยมาปฏิบัติพ่อครูว่าเออหลวงพบางน่าอยู่นะพะ่อครูเคยไปสมัยก่อนเนี่ยเป็นมรดกโลกเนี่ยเงียบสงบเขาบอก่าพ่อครูมันไม่เหมือนเก่าแล้วผับบาร์เต็มไปหมด เออศรษฐกิจคงดีนะเขาบอกว่าหนูอยู่ไม่ได้แล้วเอาทำไมล่ะจีนก็มาเปิดเวียดนามมาเปิดเขาเก่งกว่าเราร้านเขาสวยกว่าเราแล้วก็เนื่องจากคนมาเที่ยวเยอะค่าของชีพมันสูงค่าเช่าแพงขึ้นเขาอยู่ไม่ได้คนไทยเราเตรียมอะไรเดือดร้อนถึงพ่อครูนะพ่อครูไม่ได้เดือดร้อนแต่เดือดร้อนถึงพ่อครูที่พ่อครูทาและโรงเรียนสองโรงเรียนนี้ครูเขาก็มีความสุขดี ป้าหมายพ่อครูนี่เปิดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความจนเขาเพราะรัฐบาลบังคับให้เขาต้องมาเรียนอา่าเราเปิดโรงเรียนเรียนฟรีก็ช่างค่าใช้จ่ายเดินทางค่ากินค่าอะไรๆค่าเสื้อผ้าพ่อแม่เป็นหนี้มากขึ้นเรามาเสริมเสริมเพิ่มให้เขาเป็นจนมากขึ้นเห็นไหมจากจนอยู่ดีๆกลายเป็นยากจนตอนนี้เราบอเพิ่มให้เขายากจนมากขึ้นนี่คือนโยาบายแห่งรัฐ นะคําตอบอยู่ที่หมู่บ้านพ่อคูมาอยู่ที่นี่พ่อครูเห็นหมดเขาจนเพราะอะไรเขายากจนเพราะอะไรเขาลําบากเพราะอะไรก็ทําหรือเวลาวันหนึ่งทําที่นี้พ่อกูก็เห็นปึ๊บพ่อครูหันไปมองโรงเรียนพ่อกูเอออย่าไปหาเรื่องทุกข์แค่นี้ก็ดีแล้วครูก็ไม่ต้องเครียดเด็กก็ไม่เครียดอยู่กับเราปลอดภยัยเพราะแม่ไม่ต้องเป็นหนี้สินมูลนิธิรับส่ง30สิหมู่บ้านสามตำบล น, นี้ ล้วก็อยู่ของเรามาตั้งหลายปีแบบสงบเย็นไม่ต้องเก่งมากมายหรอกเก่งเดี๋ยวมันจะไปทำให้คนจนกลายเป็นคนยากจนแต่ทีนี้เขาเปิดเปิดอาเซียนล้วทำยังไงเป็นอย่างนี้ได้ไหมหลวงพอบางอยู่ในเหลือบเลยก็ยังอยู่ไม่ได้เห็นไหมเขาไม่เคยถามเราเลยว่าพวกเธอจะไปอาเซียนไหมมีแต่โฆษณาไปอาเซียนไปอาเซียนไปอาเซียนไม่รู้ใครได้ใครเสียนะคนได้กับอาเซียนไม่ถึง 1% ฟังพระครูนอกนั้นเตรียมตัวเรียบร้อยหมดค่าของชีพมันสูงขึ้นแน่นอนรายได้เราต้องกระเสือกกระสนหามากขึ้นใช่ไหมกระทบหมดอะ่ะแล้วถูกแย่งงานอะไรเนี่ยนะนี่คือความเปลี่ยนแปลงเพราะไอ้ความคิดแบบทุนนิยมแข่งขันเสรีนี่ทุนนิยมไม่ได้ผิดมันเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งเผด็จการก็ไม่ได้ผิดสังคมนิยมไม่ได้ผิดคอมมินิสต์ก็ไม่ได้ผิด มันเป็นเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งแต่คำว่าแข่งขันเสรีเนี่ยเป็ น, ปนความชั่วลลยแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกและแข่งขันแบบไม่มีกฎเกณฑ์อย่างเราชกมวยเนี่ยนะต้องมีช่างน้ําหนักใช่ไหมถ้าไม่ช่างน้ําหนักไอตัวใหญ่ย่อมได้เปรียบใช่ไหมอันนี้เขาบอกทุนนิยมเสรีเนี่ยคุณพูดได้ยังไง ประเทศเราประเทศเล็กๆไปลงทุนเสียดอกเบีย้ยก่อนต้นทุนก็สูงใช่ไหมเขาลงทุนเขาได้ดอกเบีย้ยเติมต้นหนัน บ, ห น, บ, นบนนหนึ่งสตาร์ทปุ๊บนี่ยเราก็แพ้แล้ววิ่งร0อเมตรแข่งกันคนนึงสตาร์ทจากจุดหนึ่งเมตรคนนึงจะสตาร์ทจากจุดห้เมตรมันจะไปแข่งได้ยังไงมันเป็นความคิดที่โง่เขลาแล้วก็จบแล้วนะเจ็ดแปปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองเป็นคนตั้งโจทย์ ทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันความสุขเกิดจากการบริโภคทฤษฎีนี้เนี่ยจบแล้วเราเห็นด้วยตาเนื้อแล้วว่าแก้ปัญหามนุษยชาติไม่ได้ความเหลื่อมล้ำมากขึ้นความทุกข์กระจายไปทั่วหน้าประเทศที่ใหญ่ที่สุดเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นหนี่มากที่สุดในโลกแล้วเงินในโลกนี้หายไปไหนที่เราทาลายทรัพยากรกว่าจะเป็นน้ามันได้กี่ล้านปี เราสู่ขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านบาเรลเป็นแลกเป็น GDP เอา GDP แล้วเงินมันหายไปไหนทุกประเทศเป็นหนี้หมดมีทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ทุกบริษัททางล้านเป็นหนี้หมดมีทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ทุกคนมีหนี้เครดิตการ์ดหมดเงินมันกลายเป็นขยะหมดแล้วขยะสารพิษอันนี้โครคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดก็เกิดแล้วพราคุณนั่งอยู่ในปา่าพราคุณเห็นกระบวนการของมันนี่แหะคำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน ออกไปบรรยายห้าปีนะทำหน้าที่แบ่งปันพระครูสัมผัสคึนืนขัดแย้งมันมากเหลือเกินค่ายนี้เชิญไปบรรยายปุ๊บค่ายนั้นบอกว่าให้พวกมันพระครูเป็นเป็นพวกใครได้เหรอเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสมัยเล่นกีฬาสีที่กรุงเทพนะที่ศูนย์นี่มีทุกสีนั่นแหละมาปฏิบัติที่นี่เนาะ พอเขาออกไปก็โทรบอกแก้วแก้ ว, กวบอกพวกครูออกมาช่วยกันหน่อยหนึ่งการเมืองใหม่นะพวกครูไม่ออกมาไม่รักชาตินะเดี๋ยวสีนั้นขึ้นมาพูดเหมือนกันพวกครูบอกแ ก, แก้วแก้วบอกทุกคนนะรักชาติทําไมต้องทะเลาะ ก, กันสีนั้นด่าสีนั้นสีนั้นมันคนไทยหรือเปล่าขมีเห็นไหมครับคนไทยสีนี้ด่าสีนี้พมา่าหรือเปล่าก็คนไทยคุณรักชาติไทยแบบไหนคุณด่าคนไทย คุณพุดแบบไหนคุณอิสลามแบบไหนคุณคริสต์แบบไหนคุณไม่มีเมตตาเลยอภัยทานก็ไม่ได้ศาสนาทุกศาสนาสอนแบบนี้เหรอพวกคูเห็นแล้วเราเบรกเขาไม่ได้แต่เราเบรกพวกกูเบรกชีวิตพวกคูจากเมืองนอกมาอยู่ในป่า20ปีเฉยเฉยไม่เป็นไหนได้ทำไมจะเบรกไม่ได้พวกคูก็เบรกตัวเองนะพวกเราทิยายสีเห็นพวกคู พ่อครูก่อนหน้านี้ไม่ใช่ผมยาวแบบนี้หายไปปุ๊บสองปีกลายเป็นไม่ใช่ทาสานนะคงคล้ายๆเป็นลือสีนะู้นทำไมพ่อครูแปะแปะงลงร่างแก้วพ่อครูจําสินพ่อครูไม่ออกไปละไอ้ที่จองจองพ่อครูเนี่ยโทรไปคันเซนขอโทษ ว, ว่าพ่อครูจําสินก็ยังโทรมานะโทรมาให้ไปบรรยายพ่อครูก็เลยไม่ตัดผมเลย จากนั้นมาแก้วไม่เคยถามอีกเลยเพราะคูจําสินจริงๆมันเป็นเกราะป้องกันภัยนะไม่ต้องอธิบายมากเพราะคูเป็นคนไม่เรียบร้อยอย่าไปยุ่งกับคนเขาเรียบร้อยเขาสั ญ, ญลักษณ์พรอครูออกไปมันปฏิเสธเรื่องศาสนาไม่ได้พรอครูนี่แหละพูดพูดธพุพุทโดยที่เขากำหนดให้พ่อคูพุทตั้งแต่เกิดโดยที่พ่อคูไม่รู้ว่าคืออะไรแต่หลังจากเข้าถึงพ่อครูบวชพุทก็ดีไม่มีอะไรเสียหายทุกศาสนาดีหมดเห็นไหม แต่พ่อครูไม่เคยขัดแย้งกับใครแต่ที่นี้เขาขัดแย้งกับพ่อครูพอออกหนังสือสามชั่วโมงมาลรือทางรปุ๊บทั้งก้อนอิดทั้งทั้งดอกไม้มาพร้อมกัน <c oughs> บังเอิญพ่อครูไม่โง่ที่จะไปรับทั้งสองอย่างที่พูดเรื่องนี้ก่อนก็เกินมาก่อนว่าทำไมต้องเป็นฟิตเนสก็เนื่องจากโคเนี่ยมันมีอารมณ์เหมือนอะไรคุณใหญ่ก็แกเป็นประธานโคเนี่ยก็ใจดีใจดีมาบวช เวันมาอยู่กับพ่อครูนะอยู่ว่งวันนิด ต, ตึกว่งวันนิดเนี่ยค่าเช่าเดือนหนึ่งแสนหนึ่งพ่อครูเอาเงินไปหกแสนให้นาหานก็อยู่ได้หเดือนเออมีประโยชน์นาหานไม่ดูว่ามันมีกําไรขาดทนุนมันมีประโยชน์ประโยชน์สำหรับคนเมืองเคตรเครียดมากเราก็ย้ายมาอยู่โคไม่ต้องมีค่าเช่านะเดือนหนึ่งห้าพันช่วยค่าไฟฟ้าเขาก็อยู่มาสามปีกว่าแต่ลึกๆ พราะูว่ามันมันไม่โปร่งเพราะว่าอะไรคุณใหญ่ได้เต็มเต็มได้บุญเต็มเต็มเลยล่ะแต่ลูกน้องเขาในบริษัทไม่ได้สักคนหนึ่งเหมือนเราไปเบียดเบียนชีวิตเขาเขาอยู่ปกติของเขาแล้วไปเบียดเบียนความอิสระของเขาบอกนาหารขึ้นมันไม่ใช่พอเรามาเจอที่ใหม่นะที่โรงเรียนอนุบาลที่พ่อกูเพิ่งไปเปิดตรงนี้นะ่กอก็บอกว่าบอก ย, ย้ยาย ย, าย้ายย้ายทีนี้พ่อกูก็ต้องไปเงียบเงียบใช่ไหม เพราะว่าไม่มีใครก็ตัดสินใจได้ ว, ว่าจะทํำยังไงก <c oughs> ็ไปเงียบ <c oughs> ๆก็ <c oughs> ไปนั่งอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเดินยังไงให้เป็นสากลถ้าวันใดพ่อครูไม่อยู่เนี่ยไอ้สิ่งดีๆอย่างนี้เนี่ยมันหายสาบสูญแล้วที่ไหนว่าเขาจะให้เราฟรีล่ะค่าไฟก็ไม่ฟรีค่าน้ําก็ไม่ฟรีค่าอะไรไม่ฟรีจิต ก, ก็พิจารณาทํำยังไงนะวันที่จะกลับมาอุบลน่ะไปดอนเมืองระหว่างทางพ่อครูเห็นป้ายคําว่าฟิตเนสไฮฟิตเนส โยคะพวกคุณบอกใช่ลนะล้วจะเรียกอะไรก็ช่างมันขอให้สิ่งนี้มันมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติก็เลยนี่คือที่มาทำไมต้องฟิตเนสนะฟิตเนสไลฟ์ไลฟ์ฟิตเนสนะฟิตแอนด์เฟิร์มกายฟิตจิตเฟิร์มพวกครูพูดนี้4ปีแล้วอยู่ว่างวานันอยู่ตั้งแต่อยู่โค้ดละ กายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขเพื่อให้รู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับศาสนานะแต่เผลอปุ๊บก็ยังไปพูดเรื่องสภาวะธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เนาะเพราะมันเขาไม่ระวังเพราะเราฝึกเรื่องจิตน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปหลงเรื่องเรื่องพูดสภาวธรรมกลายเป็นศาสนาอีกนะก็ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเลยนะไม่ใช่ศูนย์จริงๆแล้วก็ศูนย์พัฒนากายจิตก็ถูกแล้วเนี่ยมันตั้งสี่หปีพอเราระวังอยู่แล้วนะ แต่เนื่องจากว่าสองปีที่พ่อครูไม่ออกไปพ่อครูห่างเขามากนะมันก็เลยเกิดไปหลงสภาวะอะไรพูดเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าภาพมันไม่ชัดนี่แหละพ่อครกูก็ต้องชี้แจงพวกเราว่าเอ๊ะอยู่ๆพ่อครูจะเปลี่ยนไม่ใช่พ่อครูเปลี่ยนนะเขามาเปลี่ยนพ่อครูอยู่ๆมันก็เปิดอาเซียนไงอยู่ๆศาสนาก็ทะเลาะกันไงนะวันนั้นพ่อครูดู ดูช่องไหนมารู้วิทยากรคนาทั้งคุยกันพิธีกรคนนึงเป็นพุทธคนนึงเป็นอิสลามทีนี้คนพุทธถามคนอิสลามว่าคิดอย่างไรที่พระภิกษุสงฆ์เมืองไทยเราเนี่ขัดแย้งกันเพื่อจะแย่งสิ่งฉังกระาศเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องศาสนาเขาไม่กล้าบังอาจมันเซนสถีบมากแต่ในฐานะเขาเป็นคนไทยเขาฝากนะมมองอิสลามเก็หน่อยหนึ่งแถวตะวันตกแถวตะวันออกกลาง อะไรล่ะซาอุดิอารเบียก็ใส่กับอิตาเลใส่ใส่กับ อ, อ, อะไรอิสลามคนละคนละนิกายประกาศาสงครามกันแลลวเขาบอกว่าเขาไม่อยากเห็นเมืองไทยเป็นแบบนั้นเขาไม่วิจารณ์พุทธ ย, ยิ่งพุทธเน้นเรื่องอภัยทานเน้นเรื่องเมตตาธรรมละคนโลกพ่อคูไม่ว่าเพราะว่าเขาติดเรื่องแข่งขันเขาต้องแข่งขันเ้าไติดนิสัยเขาแล้ว แต่คนในสายศาสนาเองตอนนี้ก็มาขัดแย้งกันแล้วพ่อกูจะออกไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้พ่อกูดูเหตุการ์แล้วเนี่ยทั้งโลกทั้งประเทศไทยนีย่คงไม่มีวันสงบชีวิตพ่อกูบ้านปายก็คือเลือกก็คือว่าไม่ต้องออกไปที่ผ่านมา20ปีโย่เฉยก็ได้ทำไมอยู่อีกไม่ได้แต่พอพบเจอคำว่าฟิตเนสเนี่ยความเมตตามันยังมีอยู่โอเคเรามีช่องออกไปแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจนะ สูงสุดคืนสู่สามัญสุญญาตาน่ะเป็นเรื่องจิตวิญญาณแต่พรอครูชัดเจนเลยว่าถ้าพูดภาษาพูด น, นั้นนิพานคือฟิตเน็ตอย่างยิ่งฟิตเน็ตคือความสมบูรณ์เหมาะสมเป็นกลางภาษามันจะยังไงก็ช่างมันให้เป็นภาษาสากลพอคำว่าฟิตเน็ปุ๊บนี่พระครูต้องเลี้วฝืนภาษาอังกฤษตัวเองอ่ามันลงกระป๋องหมดแล้วมันลืมหมดแล้วล่ะ ไปเปิดดิกชันนี้ดูที่เราเช็คแอนด์แดน e ์เนี่ยเช็ค up your mind เป็นการกระตุ้นจิตให้ตื่นแล้วก็แดนเซอร์ไซ์นะออกกำลังกายโดยการเต้นหลับอยู่ในที่หมดนะแล้วก็ที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นการเซิร์ชอินไซด์ yourself นะคือเข้าไปในตัวเอง ไปศึกษาตัวเองไปวิจัยตัวเองที่ผ่านมาเราเสิร์ชแต่หาข้อมูลข้างนอกส่งออกตลอดเวลาจิตไม่สงบนิ่งแล้วพวกพวกเราเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยอินไซ์เอาเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์เราเนี่ยเอาปัญญาเก่าเราออกมาใช้มันอยู่ในโปรแก ร, รมทั้งสี่โปรแก ร, รมนี้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเมื่อวานนี้พี่บิก๊กส่งข้อมูลมาให้แกบอกว่าทาไมพ่อครูอินเทรนจังแกไปเห็นคำหนึ่ง คนอังกฤษนี่มาเปิดคลับที่กรุงเทพเขาเรียกว่าคลับเซอร์ไซส์เพราะกูเปิดอย่เชนนี้เมื่อคืนมันหาไม่เจอเมื่อกี้บอกอาจารย์อ้อยกขาบอกไม่เคยได้ยินเด็กมันเปิดที่นนี้ก็ไม่เจอแต่พ่อคูแปลครา่าวๆว่ามันของออกกำลังกายในคลับนั่นแหะในสมโมสร น, นั้นมันเป็นภาษาอังกฤษซึ่งซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งมันไม่เมคกซ์เนหรอก ถ้าคำว่าคลับตรงนี้มันออกกนบังกายในคลับเนี่ยนะมันพูดว่าคลับเซอร์ไซส์ไม่ได้เพราะคลับนี้มันเป็นสถานที่มันไม่ใช่กริยาเ<ม>ห็นแต่คนเราแดนเซอร์ไซส์ในในในดิกชันนารีมันมีไงออกกนบังกายโดยการเต้นลําอันนี้คนอังกฤษเองนะเรียกว่าคลับเซอร์ไซสทุกคนมีปัญหาหมดความเครียดเนี่ยเขาถึงพยายามหาวิธี แต่สิ่งที่พวกครูทําไม่มันเกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็หลังจากข้อมูลคุณบิ๊กส่งมาเหมือนเราไปเต้นลำเราต้องฝึกนะมีคู่เต้นอะไรเนี่ยนะอาจจะเต้นแบบรุนแรงอะนะเขาบอกว่า40นาทีคบนีดลดแคลอรี่ได้เท่าไหร่มันเป็นเน้นเรื่องนั้ น, นะนะแต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้คุณยายก็น่าจะทาไม่ได้พวกครูก็ไม่ทาอยู่แล้วไปไปฝึกเต้นอะไรเนี่ยไม่เอาของเราไม่ต้องฝึก อายุสองขวบจนถึง9ก้าสิบเลยเรามาฟิตเนสด้วยกันได้เห็นไมมันมีอะไรที่มันมันง่ายขนาดนี้แล้วเกิดประสิทธิผลจริงๆถ้าเราทำจริงนะก็ไล่ไล่ให้ฟังนะที่ผ่านมาเนื่องจากภาพมันไม่ชัดเพราะพร้ครูขับเปลี่ยนคำว่าฟิตเนสเนี่ยเห็นผลทันทีเลยรู้ไหมดอกเตอร์ก้อยผู้บริหารโรงเรียนก่อนพิทักษ์ณหารคุณบิ๊ก สรุปผลให้พระครูดูสามสี่ปีเนี่ยตั้งแต่ว่งวานิศตั้งแต่โคนเนี่ยผู้ปฏิบัติมาหลายหมื่นครั้งแต่เป็นบุคคลเนี่ยสี่พันกว่าคนสี่ปีนะแต่ครูก้อยเนี่ยแกสองเดือนเนี่ยแกเอาเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยเต้นอยู่ด้วยกันนี่ไง มันมหาศย์มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินี่คุณอะไรอัลเฟโดเนี่ยเขาเป็นชาวเม็กซิโกเม็กซิกันเขาได้ยินพ่อครูบอกฟิตเนสเขาบอกเขามีความหวังแล้วเดี๋ยวเม็กซิโกกับอเมริกาพ่อเขาทําธุรกิจที่อเมริกาเขาจะขอไปเปิดที่นูน้นเขาบอกเองว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเพราะเขาทําอยู่ที่นี่6เดือนทุกวันเขาเห็นผลแล้วมัน simple easy happy freedom เมืองไทยจะไม่ต้องเสียดุลการค้าสั่งยามาจากเมืองนอกมากมายวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะาดจิตสาดร่างกายสอาดสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์ข้างตัวเรามนุษย์ทำให้สิ่งแวดล้อมมันไม่ดีเราต้องสะอาดมนุษย์ทั้งหมดก็โดยโปรแกรมนี้ แล้วมันง่ายที่สุดไม่ต้องใช้เทคโนโลยีถ้าโรงเรียนทุกโรงเรียนเอาไปใช้เนี่ยนะไม่ต้องตั้งงบประมาณแม้แต่บาทหนึ่งเดี๋ยวมูลินิธีเราหรือว่าชมรมพัฒนากายจิตที่กรุงเทพนั่นแจกซีดีโรงเรียนละแผ่นโปรแกรมนี้ไปทำได้เลยแล้วมันส่งผลต่อชีวิตเขาทันทีนะไม่มีเวลามากจริงๆแล้วนี่เด็กก่อนพิทักษเนี่ยมัธยมอะไรเนี่ย เขียนรายงานมาเนี่ยนะเด็กป .2 ออพาพ่อแม่เต้นที่บ้านนะเขาบอกแม่เขาเนี่หายปวดหัวเลยแล้วตอนนี้พ่อแม่เต้นทุกวันมันไม่ใช่อะไรน่าอายมันไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งนั้นะมันเป็นเรื่องไม่ใช่ออกกาลังกายอย่างเดียวนะมันโฮลิสติกทั้งหมดนะพักคุณลดาดับให้ฟังเพราะว่าละคำว่าฟิตเนสเนี่ย เป็นใบเบิกทางทําให้พระครูออกไปได้อย่างไม่ต้องขัดแยง้งใครนะพอกลุ่มคุณหมอที่เชียงใหม่เห็นเนี่ยปีที่แล้วเชิญพระครูไปพระครูไม่ออกงานนะเขาเป็นชมรมอะไรเขามีศูนย์ปฏิบัติธรรมของเขาเองอ่ะมาดักเจอพระครูที่อยู่กรุงเทพพรอครูขอโทษนะพรอครูตอนนั้นไม่ออกมาจริงๆเขาบอกแล้วตอนนี้ล่ะนะพรอครัวไปนะเขาก็บุกเมษานี้นะพรอครูคือมันง่ายอะ่ะ มันง่ายทําที่บ้านทําที่ไหนก็ได้เครื่องมือเราคือมีกายเวทนาจิตทำเราก็ไปไหนก็ได้เนี่ยแล้วก็เกิดมรรคผลสลบชีวิตเราทําไมต้องมีทิฏฐิมานะทําไมต้องอายทําดีนะถ้าไม่รักตัวเองก็รักชาติบ้านเมืองได้ไหมอันนี้ไม่เชฉยวไม่เกี่ยวกับเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองทั้งองค์กรเกี่ยวทั้งโลกทั้งโลกนะ เาผาผลาญน้ามันทำลายทรัพยากรของโลกแล้วก็ตัวเองก็เด้งพวกคูเห็นยี่สิบเจ็ดปีไอ้ผลของตัวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดแต่ตอนนี้มันไปเจอทางตันเนื่องจากการขัดแย้งทางด้านลัทธินิกายหรือศาสนาไงพอมันเคยเขาว่าฟินิชพวกครูว่าโอเคพวกคูไม่รอละแต่ว่าไม่คาดหวังโลกนี้มันไปไกลเกินกว่าที่จะไปนั่นได้ละเราก็ทาเท่าที่เราทาได้ก็ คุณลุงคนหนึ่งที่ก็เรียกว่าครูสวยัยนะเขียนหนังสือภาษาไทยนังสมโบราณตอนนี้โรงเรียนกอบพิทักษ์ใช้ของแกหมดเพราะ้ทุกวันนี้แกบอกพก่อครูที่สูงกรุงเทพบอกว่ามันเป็นคอร์รัปชันทางนโยบายมันเป็นผลประโยชน์ทั้งหมดสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเด็กสอบตกหมดมีเกาะสีชังบางเกาะนึงนะ่ยใช้ของแกหมดนะ่ะได้หมดเลยเดี๋ยวคนในกระทรวงสั่งบอกไม่ให้ใช้ ต้องใช้ของกระทรวงสั่งมาให้มันโง่เท่าเทียมกันหมดแกบอกหมดหวังแล้วแกบอกว่าตอนนี้เขาเขาอยู่ในวงการนี้มานานเขาไปปฏิบัติเค้ช่วงหนึ่งพร่อครูก้อยแนะนำเนี่ยแล้วเขาเป็นคนแก่ที่เอาจริงนะพ่อครูไปยืนดูวันนั้นแกทำที่ศูนย์ใหม่เนี่ยโอเคเอาจริงๆเลยแกออกมาพ่อครูเมืองไทยความหวังฝากกับพ่อครูสิ่งนี้หลาจะเปลี่ยนมนุษยชาติ แกบอกแกฝึกมาหมดแล้วฝึกจิตวิปั ส, สนาแบบไหนก็ช่างแกไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีบอกกำลังมันไม่ถึงนะทุกอย่างมันคล้องจองกันนะแล้วก็พก่อครูต้องชี้แจงพวกเราเพราะว่าเอออยู่ดีๆพ่อครูคิดจะเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนชื่อชื่อมันไม่สําคัญหรอกนะที่ผ่านมาพวอครูไม่มีลัทธินิไกรนะ พ่อคูไม่เคยรู้คําสอนศาสนาแต่ว่าระเบิดปุ๊บพวกคูเข้าใจพระเจ้าที่นี่เราลงชีวิตแบบคําสอนพระเจ้าแต่พวกคูมีลทัทธินิกายแต่ว่าเกิเราแต่งตัวแปลกๆกออกไปข้องมองว่าเอาลทัทธิไหนนะหลายปีก่อนเนื่องจากว่าน้องคีต้องออกต่างประเทศก็ไม่เคยไปไหนนะก็เออพาสปอร์ตอเมริกันตั้งแต่แก่เกิดมามาที่นี่ยี่กว่าปีเราไม่เคยไปต่อเลยพ่กคูก็พาไปสถานทูตอเมริกัน เขาไม่ให้พ่อคูเข้าไปพ่อกูเป็นพ่อก็บอกไม่เข้าไม่ได้น้องขีต้องไปลุยคนเดียวเกิดมาไม่เคยออกไปข้างนอกเลยนะนะพ่อคูก็เดินอยู่ข้างข้างพุทธบาทกําลังหาทางหาที่นั่งจะข้ามถนนเนี่ยเดี๋ยวหัวหน้ากาศเขาถามมาคุณมายืนที่นี่ทำไมพ่อครกูก็มองหน้าเขาว่าที่นี่ประเทศอะไรเหรอมพ่อคูหลงทางมาหรือเปล่า มันไร้สาระพวกครูก็เลยพูดเล่นๆเขาบอกว่าทําไมประเทศใหญ่ๆขนาดนี้ทำไมกระจอกจังเลยที่นั่งให้คนไทยก็ไม่มีไม่ให้คนไทยไปยืนเลี้ยงแถวอยู่ฟ้างฟุตบาทนี่เหรอมันเป็นเขาไม่เคยมั่นคงเลยเขาไม่รู้สึกมั่นคงเลยเขากลัวไงพวกครูแต่งตัวอย่างนี้สงสัยโจรใต้มามั้งกลัวระเบิดเห็นไหมจเจริญไปว่ามีมากขึ้นเติบโตไปว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้มั่นคงเลยใช่ไหมเราเห็นอารมณ์เขาไง พวกกูไม่ต้องการไปขัดแย้งกับใครเป็นเพะว่าโรกนี้มันเพี้ยนจนมากมายแล้วนั่นแหละแล้วพวกกูจะหยุดพวกกูก็หยุดมาสองปีไม่ได้อยู่เฉยเฉยนะพวกกูก็พัฒนาศูนย์ดูแลโรงเรียนดูอะไรพวกกูนะแต่เราเสียดายไงสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติแล้วก็ลงทุนไม่ต้องลงทุนเลยเทคโนโลยีอะไรก็ไม่ต้องใช้ทุกคนทําได้ทันทีทุกโรงเรียนในประเทศไทยทําได้ทันทีโปรแกรมนี้ขอให้ผู้มีอานาจ มีวิสัยชัดไม่ต้องตั้งงบทุกโรงเรียนมีโรงยิมมีเครื่องเสียงอยู่แล้วเอาซีดีไปแผ่นหนึ่งก็ทำได้ลวมีอะไรง่ายขนาดนี้นะก็บังเอิญว่าต้องอนุมโมทนาสาธุกับครูก้อยโรงเรียนพิทักษ์แกยิ่งใหญ่นะแค่เทอมเดียวแกเอาเด็กนักเรียน 6,000 กว่าคนครู5 0 0เนี่ยปฏิบัติเช้าเย็นแล้วทุกคนบอกชีวิตดีขึ้นแกบอกพระครู คูก้อยขออีกเทอมหนึ่งเทอมต่อไปจะเอาผู้ประกอบสาวอาทิตย์นะตอนนั้นถ้าเสร็จแล้วแกบอกแกพร้อมละแกรู้ว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ประเทศไทยโม่จะไปเรียนเก่ง ๆ, ๆแล้วก็มาทะเลาะกันแกบอกแกเห็นแล้วจริงๆแล้วกขาวางโครงการเขามีที่แปลงสวยมากเขากำลัลงถมดินแล้วก็ออกแบบอยู่ว่าโครงการห้าพันล้านทําโรงเรียนใหญ่กว่านี้อีก แกบอกแกเปิดอีกสิบโลงก็ได้เพราะว่ามันอยู่ตัวแล้วนะก่อนพิทักษ์ตอนนี้ในแง่วิชาการอันดับสี่ของประเทศไทยเพราะอันสามอันดับนั้นเนี่ยคือทุกประเทศ ท, ทั่วประเทศไปสอบเข้ามันก็เอาหัวแก่นแก่งไม่ต้องสอนเลยน ะ, นะของแกอะไรควรทำทามาหมดแล้วแต่แกเจอปัญหาคือผู้บริหารก็เครียดครูก็เครียดนักเรียนก็เครียดไงหลังจากโปรแกรมนี้เขาไปแกบอกว่าเปิดทั้งหมดเลยนะ อันนี้ก็เล่าให้กันฟังว่านี่แหละทาไมต้องเป็นฟิตเนสให้พวกเราเข้าใจนะพอ ก, กูไม่ใช่อ่ะทำตามอารมณ์ไอ้คิดสนุกอะไรอะไรเนี่ยนะนาฬิกาเนี่ยระบบเข็มเลขสูงสุดพวกเลข12บสอพอ ก, กูบอกใช่เหรอระหว่างเลข6ถึงเลข12กี่นาที30มนาทีเลขหถึงเลข6กี่นาที60สนาทีสูงสุดคืนอยู่ที่สามหมั น, นอย่าไปพูดสูงแล้วไปไม่ถึงเนี่ยเอามันเริ่มต้นอย่างนี้แหละถ้าไม่หยุดปฏิบัติเนี่ยเราถึง ข้างบนแน่แน่เส้นทางเส้นนี้ไม่ตันเพราะมันไม่มีวิธีถ้ามีวิธีปุ๊บมันจะมีข้อจำกัดของมันแล้วฝึกโยคะฝึกชี้กงฝึกไท่เก๊กอะไรก็ช่างมันมีข้อจำกัดของมันอันนี้ไม่มีวิธีนะมาใหม่ใช่ไหมไปเดินทางด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันได้นะนะกีฬาเป็นยาวิเศษคือไม่ต้องฝึกนะมามาจ็อกกิ้งด้วยกัน ส่วนใครวิ่งช้าวิ่งเร็วนี่แล้วแต่สถานภาพทุกคนแข็งแรงหมดตอนนี้มันเอามาแข่งกันทุกคนเครียดหมดนี่คือความคิดแบบทุนนิยมธุรกิจนิยมนะก็อันนี้ประเด็นนี้พ่อกูก็จบแล้วขอพูดประเด็นที่สองอันนี้ก็สำคัญมากอันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นจากมันแปลกมากพอมันถึงเวลาแล้วเนี่ยอาเซียนจะมาเปิดใช่ไมอยู่ๆครูก้อย เขาก็เรียนสูงสุดเป็นด็อกเตอร์โรงเรียนเขาก็ใหญ่ที่สุดนักเรียนมากที่สุดในกรุงเทพอะไรที่ควรทำก็ทําหมดแล้วอยู่ๆเขาเข้ามาในป่าเอาครูมาสามร้อคนมาอยู่กับพ่อคูนะพอเขาเอามาแล้วนี่พ่อคูกลัวเสียเปรียบมังพ่อคูก็ส่งครูที่นี่นี่สี่สิคนไปโรงเรียนเขาเหมือนกันแลกเปลี่ยนครูก้อยถามน้องแก้วว่าแก้วถามพรอครูหน่อยหนึ่ง เอครูพระลานคอยมาดูอะไรที่กรุงเทพครูก้อยอุตส่าห์ไปดูงานที่พวกครูพวกครูบอกว่าครูที่กรุงเทพนั้นตึงเกินไปครูก้อยเก่งมากก็หาวิธีไปผ่อนคลายนะแต่ครูพระลานข่อยยานเกินไปสมัยก่อนพวกครูไม่ยานหรอกมันอยู่ดีๆของมันและดีแล้วอย่าไปหาเรื่องทุกข์แต่บังเอิญอยู่ๆมันก็จะเปิดอาเซียนมาเลยกลายเป็นว่ายานเกินไปครูก้อยเติมน้ํามันให้พวกครูหน่อยหนึ่ง พุ่งนี้เขาโทรมาบอกแก้่บอกพระครูนะเตรียมไว้หลายโกดังเลยน้ํามันแกไม่ใช่ราดใส่น้ํามันนะแกจุดไฟเผาด้วยบอกดี <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ตื่นเขาชล่าใจไงเขาไม่รู้หรอกคําว่าอาเซียนมันคืออะไรนะแต่พระกูเห็นแล้วอนาคตข้างหน้าเนี่ยทุกกองอยู่ข้างหน้าเขาไม่ปล่อยเราอยู่ดีๆเขากลัวเราไม่ทุกเหมือนเขานี่คือกรรมร่วมนะเราเราคิดว่า จเจริญเขาจเจริญเอะเจริญเอาแบบจเจริญเจริญแปลว่ามีมากขึ้นเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่ามั่นคงก็ครูก้อยก็ใจดีส่งอาจารย์ของคนมาที่นี่ไม่ไม่ใช่แกไม่รู้จักเป็นบริษัทที่เขาสอนเรื่อง m มล์แมพวันนั้นพะกูไม่รู้หรอกใครมานั่งคืนนั้นพะกูเข้ามาเนี่ยเสื้อยือดเ ข, เขาเขียนไมล์แ พ่อคูไม่เคยได้ยินคืนนั้นกลับไปตีสามพ่อกรูลุกขึ้นมาเขียนไลฟ์แมปแผนที่ชีวิตที่เราแจกไปเป็นผังชีวิตนั่นแหละนะพ่อกรูกล่าวเข้าๆถ้าคนเราไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยเราจะบริหารชีวิตตัวเองไม่ถูกต้องนะมันมีเข็มทิศชีวิตเป้าหมายชีวิตถ้าคุณไม่รู้ชีวิตคืออะไรแล้วคุณจะไปวางเข็มทิศถูกได้อย่างไร ไม้แมพก็เช่นเดียวกันไม้แมพเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเสริมอาวุธทางปัญญาทางด้านสมองจริงๆแล้วไม่ควรจะเรียกไม้ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะคนที่ทํานี่ก็ไม่รู้คําว่าไม้คืออะไรจัดระบบสมองความคิดอะไรเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเขียนแผนที่กับเรื่องวิชาการนั้นๆเพื่อมาเสริมอาวุธทางปัญญาเอาไปทําไมเอาไป ทำลายคู่ต่อสู้เอาไปทำให้ตัวเองเครียดมากขึ้นอันนี้ในแง่ชีวิตแล้วนี่ขาดทุนนะเพราะกูจึงเขียนผังชีวิตแผนที่ชีวิตเนี่ยง่ายๆแก่นมันมีอยู่แค่นี้นะ ก, ก็เสริมนิดนึงก่อนจะจบไ อ, ไ, อไอ้ไอ้ที่ว่าฟิตเนสนี่นะก็พวกเราเนื่องจากปฏิบัติมานานเนี่ยนะหลักการก็คือ ฟิตเนสนี่นะการพึ่งตนเองทูลีไลท์ออนยัวเซลล์นะสการเต้นลาเพื่อออกกําลังกายแดนซ์เซสซี่สามการบําบัดทางจิตด้วยการเคลื่อนไหวและเต้นลำแดนส์เทอร์พีการสํารวจตัวเองเซิร์ชอินไซต์ยัวเซลล์การนําประสบการณ์เดิมมาใช้ประโยชน์อินไซต์เอาการกระตุ้นจิตให้ตื่นเช็คอัพยัวมาย การบํมบับโดยใช้ลมปาน Energy t h e r a ท y การล้างพิษทางอารมณ์ Emotion d e t o x i กซ์เฟกการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค i m m u n i น e นะหลักการมีอยู่เข้าๆ9ก้าอย่างนี้ก็คงเหลือเฟือละสำหรับมนุษยชาติมันพร้อมที่จะไปทั่วโลกนะแล้วก็เรารู้ก่อนว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้เราต้องดูผังชีวิตนะ แผนที่ชีวิตพวกครูจะเริ่มจากนี้เริ่มจากว่าชีวิตเรามาจากไหนนะข้อแรกก่อนชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเราก็าเออวิทยาศาสตร์บอกเกิดมาจากการปฏิสนธินะคุณพ่อคุณแม่นะออผสม ถ้าพูดภาษาหยาบหยาไม่หยาบหยาภาษาพื้นเมืองผสมพันกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเมื่อเช้ากําลังจะอาจารอาจารย์อ้อยยังไม่ได้ถามนะคำว่าพันธุกรรมกับกรรมพันธุ์ในทางวิทยาศาสตร์มันต่างกันยังไงเนาะพันธุกรรมกับกรรมพันนะเอาเป็นว่าชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรนะส่วนมากเราก็ไปเอาเรื่องว่ากายภาพเนี่ยมีการผสมพันเกิดจากการกายพันธุ์ ระหว่างสองพันนี้ผสมกันกลายเป็นพัน์ใหม่เกิดมาเป็นเด็กทาลกอะไรเนี่ยนะทีนี้ไอเด็กทาลกสองคนเนี่ยเป็นลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกัน DNA เหมือนกันเลย DNA เหมือนกันเลยเรียกว่าพันธุกรรมได้ไหมออกมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่แต่ทำไมไอันี้ขี้แยนี่ไม่ขี้แย่อ้นี้ไอคิวสูงอันี้ไอคิวต่ำมันนี้เกิดมาจากอะไร อ้ น, นี่แข็งแรงอันนี้ไม่แข็งแรงเนี่ยวิทยาศาสตร์ตอบสิมันเรียกว่าอะไรกรรมพันธุ์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ได้พันจากพ่อแม่ของพ่อแม่ส่งผลแค่พันธุกกรรมเรื่องกายภาพหน้าตาคล้ายๆพ่อแม่ด NA เหมือนกันในเรื่องกายภาพในเรื่องรูปธรรมแต่ในเรื่องนามธรรมาแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรกรรมพันธุ์ เรามีกรรมเป็นทาญาตเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาของมนุษย์กับสัตว์โลกทั้งหมดเกิดมาจากกรรมจิตอุตุนี่คืออุณาภูมิแล้วก็อาหารสี่อย่างนี้ทำให้ความมีชีวิตเกิดขึ้นจิตวิญญาณเนี่ยถ้าไม่มีจิตวิญญาณเนี่ยความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้นะ ทีนี้จิตวิญญาณเด็กสองคนนี้ก็มีจิตวิญญาณทำไมนีอ น, นี้ดเอ็นเอเหมือนกันเลยทําไมขี้แยไม่ขี้แยเหมือนกันไอคิวไม่เหมือนกันมันเกี่ยวกับกรรมที่มันสร้างมาไม่เหมือนกันที่บันทึกสัญญาอยู่ในดีเอ็นนั้นนะทีนี้อุณหภูมิร้อนเนี่ยทำให้พองจเจริญไวเย็นนี่ทำให้ยุบอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงทําให้เราทําไมเราไม่หนุ่มสาวตลอดเวลาเซลเราเปลี่ยนตลอดเวลาทำไมไม่เปลี่ยนให้มัน เล็กขึ้นหนุ่มสาวขึ้นมันเปลี่ยนให้เราแก่ขึ้นทำไมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอุตุทีนี้พออยู่ในท้องแม่แล้วเนี่ย ป, ปฏิสนธิแล้วเนี่ยต้องอาศัยอาหารของแม่ไม่งั้นมันมันอยู่ไม่ได้นี่คือที่มาของชีวิตเมื่อกลายเป็นชีวิตมนุษย์แล้วคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่ใช่ห อันนี้ชีวิตประกอบขึ้นด้วยอะไรประกอบขึ้นด้วยรูปกับ น, นามคือกายอารมณ์จิตสามอย่างรวมกันมีกายมีอารมณ์มีจิตวิญญาณมันถึงจะกลายเป็นชีวิตขึ้นมาได้ประกอบด้วยสามอย่างแต่วิทยาศาสตร์ไปวิจัยแค่เรื่องกายอย่างเดียวรูปธรรมอย่างเดียวปฏิเสธนามมาทำเราจึงแก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้พี่กาะเคยดีใจหม เคยเสียใจไหมเคยรู้สึกสุขไหมเคยรู้สึกทุกข์ไหมอันนี้เขาเรียกันนามมาทมหรือว่าหรือว่ารูปธรรมมันมีจริงๆทำไมวิทยาศาสตร์ปฏิเสธมันได้ล่ะมันเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีทั้งรูปทั้งนามเห็นไหมส่วนกายภาพนั้นประกอบขึ้นด้วยอะไรประกอบด้วยดินน้ำลมไฟคือธาตุสี่เมื่อเช้าปรึกษาอาจารย์ ไายเดตอยู่ว่าดินน้ำลมไฟถ้าไม่เรียกว่าธาตุสี่เรียกว่าอะไรมีภาษากลางๆหมพระธาตุสี่บอกพุทธใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าไม่เรียกขันห้าช่วยภาษาให้พระกูนหน่อยหนึ่งวิทาศาสตมันไม่มีภาษาเหล่านี้เพราะเขาไม่เคยวิจัยเลยแต่มันเป็นความจริงที่รามีอยู่แล้วไงแล้วพ่อกูจะพูดภาษากลางๆได้ยังไง กำลังหาอยู่นะไม่อยากเป็่งปุ๊บไอ้นี่พุธจะไปขัดแย้งกับคนอื่น ก, ก็ยังหาหาคำตอบไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็มีล่ะเดี๋ยวพระครูก็มีเองนะคือว่าทั้งศาสนาเขาวิจัยเรื่องนามธรรมาเนี่ยเขาไปเจอสิ่งนี้เขาก็ตั้งสมมุติฐานชื่อมันเรียกง่ายไงเออตาหูจมูกดิ้นกายใจนี่เรียกว่าอะไรเราจะเรียก เรียกปุ๊บทุกคนเข้าใจภาษาสากลมันไม่มีเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่เคยวิจัยเรื่องนี้เอากร่องรู ป, ประทามเอากายอย่างเดียวเห็นหแต่ศาสด า, าเขาไปเห็นเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอายัยตนะเห็นไหมรู้รู้กันถ้าเราเรียนรู้ภาษาเนี่ยภาษาบาลีซึ่งมาจากเรื่องเขาเขาศึกษาเรื่องจิตวิญ ญ, ญาณเขาเรียกอยัยตนะทีนี้พวกครูเมื่อจะไปพูดภาษาสากลเนี่ย เพราะคุณจะใช้ภาษาอะไรที่มันหมายพูดปุ๊บตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ทุกอย่างก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจระบบ อ, อิจฉนะภายในเห็นไมที่อิจฉนะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์เห็นหถ้าเราไม่เรียกว่าอจฉนภายนอกเราจะใช้ชื่ออะไรภาษาฝรั่งบอกสิเราไม่เคยวิจัยและวิียาศาสตร์ปฏิเสธสิ่งนี้ไงปฏิเสธความจริง เอาแต่เรื่องที่เราชั่งตวงวัดได้แล้วตอนนี้ความสุขเราเกิดขึ้นจากอะไรจากไปเล่นอะไรทำอะไรที่เราพอใจเพราะครูผ่านมาแล้วอยากรวยก็รวยแล้วเอาเงินซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้ามันก็สนุกสนานเพลิดเพลินจเจริญใจชั่วคราวพอเสร็จแล้วมันก็เบื่ออีกว่าไม่ใช่ความสุข มันเป็นความหลงว่ามันสุขเท่านั้นเองฉันพอใจฉันไปเล่นดนตรีฉันไปเล่นกีฬาฉันไปเล่นเรือใบฉันก็สุขความสุขมันเกิดจากเราต้องสร้างความพอใจก่อนมันสุขจริงเหรอเราไปหลงว่ามันสุขเฉยๆจริงๆแล้วมันไม่ได้สุขมันเป็นความสาใจความพึงพอใจเพราะเราพึงพอใจอยู่กําลังฟังเพลงพ่อๆอยู่นะ มีคนโยนขวดมาเปียงตกใจเลยเนยไม่ใช่สุขหายไปนะโกรธมาแทนที่เลยมันสุขจริงเหรอพ่อครูเจออย่างนั้นมาแล้วยี่บปีนี่พ่อครูเจอความสุขจริงๆมันไม่ต้องได้อะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยก็สุขที่มันสุขเพราะว่ามันไม่ทุกเท่านั้นเองไม่มีความกังวลอะไรเลยไม่ต้องหาอะไรชดเชยน่ะความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระนะพราะกูก็พูดแผนที่ชีวิตต่อไปนะเอาละชีวิตประกอบขึ้นด้วยอะไรด้วยรูปนามสองอย่างด้วยกายกับจิตนะทีนี้มันก็มีมีมีรูปมีมีกายกับมีมีอารมณ์แล้วก็มีจิตสมอย่างรวมกันแล้วกลายเป็นชีวิตเกิดขึ้นส่วนว่าเราสรุปสรุปง่ายๆว่ามีรูปกับนาม แต่ว่าวิทยาศาสตร์เอาแต่รูปธรรมานามมาทำมันชั่งตรงวัดไม่ได้ให้คะแนนไม่ได้เขาไม่เอาเขาก็เลยเอาวิชาวิทยาศาสตร์นี่มาสร้างแต่วัตถุมาแข่งกันมาซื้อมาขายแล้วก็ไม่แก้ปัญหาชีวิตไอ้ความรู้สึกสุขหรือสุขทุกข์เห็ไหมมันมีงไงอุ้ยเรานอนไม่หลับใครนอนไม่หลับอ่ะรู้สึกดีใจไหมนอนไม่หลับมันเป็นมันเป็น ลูกธรรมหรือว่านามมาทมก็กินยาให้มันนอนหลับเห็น ไ, ไหมเอาอีกแล้วเอายาไปกดประสาทให้มันนอนหลับอันนี้แก้ปลายเหตุแล้วสุดท้ายก็เดี่ยงมันเป็นนามมาทำซึ่งมันเป็นความจริงมีอยู่แล้วซึ่งธรรมชาติอันนี้ทั้งหมดคือมนุษย์ไม่ยอมรับเรื่องนามมาทำส่วนข้อที่สชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างไรเพราะล่ะเรามีชีวิตตัวนี้แล้วเนี่ยนะ แล้วจะอยู่ได้ยังไงตอบสั้นๆคือเราอยู่ด้วยปัจจัยสี่เราต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเห็นไ้มมีเครื่องนุ่ง ห, มหม่มเห็นไมเมื่อคืนอยู่ดีๆมันจะหนาวมันก็หนาวมาเลยเห็นไมถ้าเราไม่มีผ้าห่มมีเสื้อหนาวนี่ยเราอาจจะไม่สบายก็ได้มีแค่สี่อย่างนี้เนี่ยชีวิตก็สมบูรณ์ลวชีวิตก็สมบูรณ์แล้ว แต่ตอนนี้บางที4อย่างนี้ไม่เอาบางทีถึงเวลากินก็ไม่ต้องกินเพราะว่างานยังไม่เสร็จจะเอาปัจจัยหปัจจัย6ปัจจัย7นะก็พูดเรื่องนี้ก็แว บ, บไปถึงอาจารย์อ้อยเพิ่งบอกพก่อกูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าฮาวต์มหาลัยฮาวต์เนี่ยเขาวิจัยเรื่องนี้มาเจสปีเจสปีแต่ละเทอมนี่ใช้นักศึกษา200คน ไปหาข้อมูลชุมชนที่อยู่ข้างหมายเวลัยนั้นทุกปีทุกเทอมบันทึกมาเจปีตั้งแต่เริ่มแรกว่าทุกคนความสุขคือต้องรวยต้องมีชื่อเสียงแต่เสร็จเจปีเขาเพิ่งปิดหีบเมื่อเร็วๆนี้พ่อกรัวเอ๊ะทำไมมาเกิดในยุคนี้จริ ง, รงๆแล้วเรื่องนี้พก่กคูพูดมาตั้งนานแล้วความสุขที่แท้จริงเนี่ยรวยแปลว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุข จนเพราะว่าไม่มีวัลเลแปลว่าทุกแต่ตอนนี้เขาสรุปด้วยวิทยาศาสตร์นะเพราะครูก็ต้องอ้างอิงวิทยาศาสตร์เพราะคนทุกวันนี้เชื่อวิทยาศาสตร์นะทุกคนเจปีรุ่นแรกๆสรุปว่ารวยไม่ใช่ความสุขความมีชื่อเสียงไม่ใช่ความสุขความสุขเกิดขึ้นจากแค่ชุมชนเนี่ยสังคมคุยกันรู้เรื่องไม่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นจิตอาสา ถ้าความสุขมีอยู่แค่นี้แล้วเนี่ยเราจะไปดิ้นดนอะไรมากมายเท่าไหร่เราก็สุขได้เลยเดี๋ยวนี้เมื่อเช้านี้พว ก, กูก็เห็นสมาชิกครอบครัวทีาอาร์เีเรากำลังทำความสุขกำลังตั้นในลูกกลมๆเนี่ไปต้มอะไรอะไรเดี๋ยวพวกกูก็จะได้กินด้วยแค่นี้ก็สุขแล้วไงการให้เป็นความสุขอย่างยิ่ง ซึ่งศูนย์นี่ทาแบบนี้มา27ปี26เต็มละปีนี้27เรากนี่อะไรสุดสุไงไม่ต้องให้ฝรั่งเขาสรุปผลแต่ดีแล้วเขาสรุปผลในทางวิทยาศาสตร์โอเคแล้วก็เมื่อวานนี้อีกช่วงนี้มันมีข้อมูลแปลกๆมาให้พ่อครูต้องรับรู้นะก็เว็บไซต์ของบ l ูมเบิร์ก หลายคนอาจจะไปเห็นได้ไประกาศดัชนีเศรษฐกิจตัวใหม่เรียกว่าดัชนีความทุกขเวทนาบัชนีความทุกเวทนา misery index มันก็เกิดขึ้นมาในยุคอีกเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็นฟิตเนสแปลกไหมอันนี้เป็นเศรษฐกิจตัวใหม่นะไม่ใช่ความสุขมวลรวมนะถ้าความสุขมวลรวมพูฐานมาที่หนึ่งอันนี้มันบอกว่าความทุกขเวทนา m ิ s เซอรี่อินเด็โดยวัดความทุกเวทนาที่มากับเศรษฐกิจคือทุกจากภาวะเงินเฟ้อและทุกจากภาวะตกงานประเทศไหนมีมิ s เซอรี่อินเด็กต่ำคือมีความทุกขจากเศรษฐกิจน้อยหรือ ก, กับกันคือไม่มีความทุกจากสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ทั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์มิสเซอรี่อินเด็กของชาวโลกแล้วพบว่า15เขตเศรษฐกิจที่มีความทุกจากสภาพเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก ลำดับคืออันดับหนึ่งใครรู้ไหมไทยแลนด์โอ้ยเราสุดยอดเลยเรามีทุกขเวนาน้อยที่สุดเชื่อไหมแล้วถ้าดูตัวเลขเนี่ยพวกคุณไม่ค่อยเชื่อตัวเลขนะคือคือเราห่างเขามากมากเลยนะเรามีทุกขเวนาแค่ 1.6 ในขณะที่ GDP เราเนี่ยอันดับ44ของโลก แสดงว่า GDP ไม่ใช่ความสุขใช่ไหมเขาสุ่มตัวนี้เพราะครูรู้อยู่เพราะครูอยู่ชนบทเพราะกรุงเทพไอ้เมืองไทยเราเนี่ยหลายๆอาชีพอย่างเกษตรกรหรือว่าคนยากคนจนกรรมกรเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์ข้อมูลของเขาถ้ามีข้อมูลปุ๊บมันตกงานปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเอาเอาเอ า, เอาอินเด็กตัวนั้นนะเขาลยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยถึงจะไม่มีงานทำก็ช่าง เขาก็เป็นจิตอาสามีวัดมีวาเขาก็มีความสุขเขาไปเก็บผักข้างบ้านเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แต่พ่อครูเห็นทุกข์ทั่วนหน้าในในสังคมชนบทณนะตอนนี้นะอันนี้เขาสรุปเมื่องบปีที่แล้วห้าแดนะเอาละขนาดถ้าว่าเราทุกข์ซะประเทศอื่นแสดงว่าทุกข์มากกว่าเราเราทุกข์น้อยที่สุดอันดับสองคือ สวิตเซอร์แลนด์ของเรา 1.6 นะสวิตเซอร์แลนด์ก็ดีดเข้าไปถึง 2.4 นะ2อนะอเมริกาอันดับ8 5.85 เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าไม่ไม่ใช่ GDP นะคือตัวเลขใหญ่แต่ว่า GDP อันดับหนึ่งของโลกคือนอร์เวย์นอร์เวย์อันดับหนึ่งของโลกแต่ว่า เรื่องทุกน้อยเนี่ยอันดับเก้ามันพิสูจน์แล้วว่าเงินไม่ใช่ความสุข GDP อันดับสองของโลกคือฮ่องกงความทุกน้อยของเขาอยู่ที่อันดับที่17หน่วนเมืองไทยอันดับหนึ่งนะเคยเชื่อไหมอันนี้ต้องลงกินเดดบุ๊ก แต่มันสะท้อนน่ะละ่ะตัวเลขจะเทียมไม่เทียมหรือว่าแต่ถ้าถ้าเทียมมันก็ไม่ได้เทียมมากขนาดนี้หรอกมันห่างทีนี้พระครูชี้ให้เห็นนะประเทศที่ทุกข์มากที่สุดใน51ประเทศนะเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาเนี่ยระดับเศรษฐกิจ GDP เขาเนี่ยสเมืองไทย44ใกล้เคียงกันแต่เขาทุกแ6 5 แปดสิบของเรา 1.5 มันต่างกันเยอะแยะแสดงว่าพวกเรายัางบุญเยอะที่เราไม่รวยอันนี้มันเป็นตัวเลขระดับสากลซึ่งเอามาประกอบไม่ใช่คําพูดพระกรูผู้เจ้าพูดมานานแล้วพระคูระเบิดปุ๊บพ่อก็พูดเช่นโียวกันพรอครูเอาชีวิตพระคูเนี่ยไปผ่านการทดสอบแล้วว่าอยากรวยก็รวยให้รวยเข็ดๆเลย มันหาความสุขไม่เจอฮาวาดเขาเพิ่งสรุปผล70ปีว่าความรวยความมีชื่อเสียงไม่ใช่ความสุขความสุขเกิดกันแค่ว่าสังคมคุยกันนี่ไหมสังคมมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ในครอบครัวนะตื่นมาเหม็นขี้หน้าไปทำงานไม่อยากกลับบ้าน ออกจากบ้านไปทำงานไม่อยากไปทำงานเพราะเหม็นขี้หน้าเพื่อนร่วมงานแล้วแบกกองทุกตลอดเวลาเห็นไหมถ้าเราจูนตัวนี้เท่านั้นเองน่ความสุขเกิดขึ้นทันทีเพราะกูยืนยันว่า TISC เราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยขึ้นเปลี่ยนตั้งแต่4ี่หปีที่แล้วเนี่ยจนถึงวันนี้เปลี่ยนนะทุกคนมาปั้นในลูกกลมๆด้วยกันเมื่อเช้านี่สนุกเหเฮฮาคนนึงก็ต้มต้มต้ม ใช่เดี๋ยวพะกครูก็ได้มีความสุขกับการบริโภคด้วยแค่นี้ก็สุขแล้วไงเออทำไมต้องไปทะเลาะ ก, กันก่อนค่อยสุขให้เราเข้าใจชีวิตนะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือว่าเนี่ยแค่มีปัจจัยสี่แล้วเนี่ยเราก็มีความสุขตามอัตาภาพแล้วนะตอนนี้เราสุขเพราะเราต้องได้เยอะๆต้องมีเยอะๆมีจนพราครูไม่อยากจะพูดนะอเมริกาไม่ใช่ไม่ดีนะ คนอเมริกันเป็นเพื่อนพ่อคู่เยอะเขาสินเชีย์เรารักกันมากเขาเป็นคนดีแต่ความหลงผิดของเขานี่ตั้งโจทย์โลกผิดนี่มันผิดไปหมดเลยเขาก็เครียดไงไม่ใช่เขาไม่ดีนะแต่ความคิดผิดมันมันมั น, ม, น, ม, นมันทำให้เราหลงทางกันไปหมดทำลายโลกจนไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วก็ทุกคนก็มาเครียดกันแล้วก็ข้อที่สี่สิ่งที่ชีวิตต้องสัมพันธ์ด้วยคืออะไรเนี่ยพอเราเป็นชีวิตแล้วเรามีตาใช่ไหม มีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนะที่พ่อคร u, ขอยืมภาษาดั้งเดิมเขาบอกเขาเรียกว่าอายตนะนี่นละแล้วมีตาเราก็ต้องมองเห็นไงเราก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงไงจมูกก็ได้ดมกลิ่นไงปากก็ลิ้มรสไงเห็นไหมเขาตีเราก็เจ็บใช่ไหม มันเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็เหนี่ยเราสัมผัสเหมือนตลอดเวลามันเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตเราแต่ถ้าเราไม่ระวังนะเราจะเอาตาหูจมูกดิ้นกายใจมาเสพอุ้ยอันนี้ก็สวยสวยอันนี้ก็เพาะเพาะฉันชอบชอบอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็อร่อยอร่อยันนี้ก็นิ่มนิมฉันชอบชอบพอเจอของไม่อร่อยปุ๊บเนี่ย ฉันไม่ชอบไม่ชอบฉันทุกทุกพอฟังเพลงฉันชอบชอบพอเขาด่ามาฉันไม่ชอบไม่ชอบฉันทุกทุกสุขทุกมันเกิดขึ้นจากเราไม่รู้เท่าทันอายตนะทีนี้โปรแกรมที่เราทำเออทำไมสักแต่วรู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ได้ยินนี่แหละคือเครื่องมือเห็นปุ๊บได้ยินเออยินปุ๊บได้ยินเฮ้ยเสียงเสือมากูหลบเห็นไมเฮ้ย มันเหวบ่บออย่าเดินไปก็จบใครทำให้เราทุกข์ก็ไม่ได้มันอยู่ในนี่หมดเลยนะเอ๊ะทำไมพัฒนากายจิตนี่ไงโฮลิสติกไงคำว่าโฮลิสติกเนี่ยมันต้องรวมกายอารมณ์ของเรามีเนะ่ยกายฟิตจิตเพิ่มอารมณ์ดีจะ ม, มีสุขก็อยู่ในหลักแผนที่ชีวิตนนเพราะเราประกอบด้วยกายอารมณ์จิตวิญญาณ มันอยู่ในโปรแกรมนี้หมดเลยนะถ้าเราทำไปเรื่อย ๆ, ๆเนี่ยมันจะแข็งแรงทั้งหมดเลยทั้งกายจิตแล้วก็ล้างพิษทางอารมณ์ชีวิตเราดีขึ้นโดยไม่ต้องต้องไปเพิ่มเติมอะไรเลยนะครูพรานครูที่คนพิทักษ์ก็ถามพ่อครูอยู่ไอล้ลำพังเต้นๆเช็คกิ้งเนี่ยมันจะเกิดปัญญาได้ยังไงเขาก็ถามดีนะเขาเข้าใจว่ามันต้องอ่านเยอะๆต้องไปห้องแหลบห้องสมุด อันนั้นเป็นแค่ความรู้มันไม่ใช่ปัญญาถ้าเป็นความรู้ซึ่งเป็นของคนอื่นเราเป็นแค่ขยันไปคัปปี้เราเป็นแค่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู้เราไม่ได้รู้อะไรเลยไม่แค่ขยะเอา้าเต้นเต้นเตต้น้นอะไรนะี่ยเอา้าเต้นไปเต้นมาเราก็รู้ว่าเราเต้นไงเราก็เห็นเราคิดไงเราก็เห็นอารมณ์เราไงนั่นคือตัวปัญญาอย่างยิ่งเพราะคูก็ถามเด็กมัธยมเขามานั่งนะ หคนนั่งคุยกับพระครูอยู่บนเวทีน่ยนะบอกลูกเคยโกรธไหมเขาบอกเคยเวลาโกรธนี่สนุกไหมเขาบอกไม่มีความสุขไหมเขาบอกไม่ดีไหมลูกบอกไม่ดีแล้วลูกโกรธทําไมเรารู้จริงไหมเรารู้ว่าไม่ดีเราโกรธทาไมเนี่ยสมองรู้แต่จิตไม่รู้คี่เราเต้นเต้นเต้ราก็เห็นอารมณ์โกรธใช่ไหม โอ้เราเห็นมันแล้วต่อไปเราไม่โกรธตามมันนี่แหละคือปัญญาอย่างยิ่งทําไมไม่มีปัญญาอุ้ยมาร้องแหกปากร้องเออเออมันจะเอากิเลสออกจะไปมองภาพข้างนอกนะอารมณ์ที่เราเห็นอารมณ์ที่เราร้องทีแรกก็แก้งร้องก่อนพอแรงปุ๊บไอ้ไอ้ไอที่มันสะสมอยู่มันออกมาหมดเลยเราเห็นอารมณ์เราเนี่ยเป็นปัญญาอย่างยิ่งเมื่อเราเจาะอยางไ อ, ไอรถคันนี้กิเลสเห็นไหม แล้วก็ปล่อยยางมันออกสูบน้ำมันมันออกไอกิเลสนี้มันก็มันเคลื่อนไหวไม่ได้เราไปเข้าใจว่าความรู้มันก็ต้องไปวิจัยในห้องแแบบนี่ไงห้องแแบบไงวิจัยโดยไม่ต้องวิจัยโดยไม่ต้องอยากรู้เดี๋ยวมันรู้เองแค่มาเต้นมาเช็คนะมาสลัดอย่างน้อยๆแรกๆใครมานะอุ้ยอายเว้ยลำทําไมวะอ่าอุ้ยลำเว้ยเสียบุคลิกภาพเสียศักดิ์ศรีนะ ตั้งแต่ยังไม่ทำเนี่ยเราก็เห็นเราไงเห็นว่าเรามีศักดิ์ศรีเรามีหัวโขนไงมันไม่ล ำ, ล, ำล้แเราก็ทำลายไอ้ไอ้ไอ้ไอตัวกิเลสเราไงกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมเป็นเด็กๆเวลาเด็กๆมันเล่นกันมันชนกันลม้มมาร้องไห้ร้องไห้มันไม่มีมารยาท น, นะเออมันลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อเห็นไหมผู้ใหญ่เราเนี่แค้นนี้ต้องชาระสิปียังไม่สาย แบกไป9ปี11เดือน29วันอีกวันหนึ่งจะหมดแล้วนะคืนนั้นจะหลับตาคิดถึงหน้ามันอีกต่อวิซ่าไปอีก10ปีแล้วดีหรอนี่คือมะเร็งไงนี่คืออัตตาไงนี่เรามาเต้นมาทำอะไรทำลายอัตตาเนาะก็สิ่งที่เราสัมผัสทุกวันก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส แล้วก็อารมณ์รู้ที่ใจถ้าเรารู้เท่าทันมันตลอดเวลาเนี่ยเห็นหมเวลาทำงานเราก็รู้ ร, รู้แต่ว่าช่วงที่เรามาเต้นมาทำเนี่ยเราย่อเวลาสั้นๆหน่อยหนึ่งมันเร็วเราจะเห็นอารมณ์เยอะๆเลยเมื่อเราฝึกแล้วต่อไปชีวิตจริงเราเนี่ยก็ทบไม่กระเทือนนั่นแหละคือ protection มันเป็นสิ่งง่ายๆแต่มันแยบยนแล้วก็ได้กายภาพบำบัดของแถมมาด้วยเลือดลมก็วิ่งเห็นไมพาะครูบอกแล้วยี่ปีของพ่อครูเนี่ย ไม่เคยกินยาแก้ปวดหัวชักปวดก็นหนึ่งเพราะมันไม่เผลอที่จะไปคิดไงเห็นไหมมันก็เกิดผลแล้วไงให้พวกคูบอกเชื่อไม่เชื่อมันหยาบเกินไปไม่ใช่เรื่องเชื่อไม่เชื่อมันเป็นความจริงเราบอกไม่เชื่องูก็ไม่มีขาเราบอกเชื่องูก็ไม่มีขามันเป็นความจริงมันเช่นนั้นเองนะก็จุดจบของชีวิตคืออะไรทุกคนก็รู้คําว่าชีวิตถ้ามีรวมในกายอารมณ์จิต ถ้ามันไม่หายใจปุ๊บเนี่ยจบแล้วไงคือตายแต่คนจีนเ็าบอกเยืนสื่อหลิงผู้สื่ออันนี้จุดจบของชีวิตนี้แต่ไม่ใช่จบถาวรธรรมชาติบอกอย่าค้างอะไรเกินควรห น, นีนี่เหรอเห็นไหมตัวตายแต่จิตไม่มีวันตายจิตมันก็เอาบันทึกโปรแกรมกรรมในชาตินี้บวกกับของเก่าเนี่ยบวกลบคูณหารปุ๊บไปเกิดอยู่ในร่างดีขึ้นหรือเลวลงนี่แหละ นักวิทยาศาสตร์ต้องศึกษาว่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีปฐมเหตุแม้กระทั่งเราบรรลุนิพพ า, า, านแล้วก็ช่างเราบรรลุนิพพานแล้วเราไม่ต้องเวียนไหวาตายเกิดในสามโลกธาตุนี้แต่ไม่ยังหนีไปไหนจิตยังอยู่แต่ไม่มีอัตตาหลุดออกจากเกมนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้ายังอยู่ตัวรู้นั้นยังอยู่ไม่มีปฐมเหตุ มีเหตุสาเหตุต้นเหตุไม่มีปฐมเหตุเด็กชายแดงเด็กชายดอนวิ่งร้อยเมตรแข่งกันวิ่งไปถึงห้สิเมตรเด็กชายแดงล้มลงไปหัวเข่าแตกร้องไห้คุณแม่รัลกลูกวิ่งมาคุณแม่ก็ใจจะขาดจะดับทุกข์ให้ลูกลูกหยุดร้องไห้เดี๋ยวแม่ซื้อขนมให้กินซื้อจักรยานให้คุณแม่ดับที่ปลายเหตุเด็กคนหนึ่งมาคุณแม่คุณแม่แมไอแดงที่มันร้องไห้เนี่ยมันหัวเขา่ามันแตกเห็นไหมอุ้ยเจ็บใหญ่เลย ก็รีบ ม, มารักษาหัวเข่าลูกเมื่อกี้ไปแก้ที่อยากให้ลูกหยุดร้องไห้เด็กอีกคนนึงวิ่งมาคุณแม่คุณแม่ที่หัวเข่ามันแตกเนี่ยสาเหตุเพราะมันลม้มอีกคนนึงวิ่งมาฉันเห็นมากกว่าเธออีกที่ในแดงมันล้มเนี่ยสาเหตุคือมันขัดขาตัวเองไม่มีใครผักมันอีกคนนึงวิ่งมาฉันรู้มากกว่าทุกคนอีกที่มันขัดขาตัวเองเพราะมันวิ่งไวเกินไป คนนึงวิ่งมาเนี่ยฉันรู้มากกว่าเธออีกเพราะฉันเป็นเพื่อนสดิจมันก่อนที่นายแดงมันจะวิ่งมันบอกฉันว่ามันอยากชนะต้นเหตุคือมันอยากชนะต้องดับที่ความอยากทวมอยากต้นเหตุนะไม่ใช่ปฐมเหตุนะต้นเหตุมันมาจากกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาก็ไม่ใช่ปฐมเหตุนะไอ้กิเลสไม่ใช่ปฐมเหตุนะ คือที่มาคือมีคนปรุงแต่งให้มันเกิดสร้างกรรมให้มันเกิดกิเลสขึ้นนี่แหละคำนี้เนี่ยนักปราชญยาฝรั่งเศสนี่พูดี่ใช้ไปทั่วโลกทุกคนก็เข้าใจว่าต้องเป็นแบบนั้น I think t h e r e for I am โอ้คุณคิดคุณจึงมีตัวตนเรามาแก้ที่ความคิดเราต้องคิดบวกสิคิดบวกสิเราแก้ปลายเหตุอยู่แล้วคิดบวกเพื่อสนองตัญหาเพิ่มความอยากอีกแล้ว เร็วลายย้ายิ่งกว่าคิดโลบบีบนะคิดเพื่อความอยากพอได้มาก็ดีใจพอเสียมาบางทีฆ่าตัวตายในพวกคิดบวกจริงๆแล้วความเป็นจริงคือ I am therefore I think ถ้าไม่มีเราใครจะเป็นคนคิดถ้าไม่มีเราไม่มีความคิดไม่มีสร้างมโนกรรมเพราะเรามีเราถึงสร้างกิเลสขึ้นมาเราจึงมีความอยากเราจึงไปสร้างกรรมเราถึงวิ่งเร็วเกินไปขาดสติ หัวเขาแตกถึงร้องไห้พรุ่งนี้มาเขาท้า ว, วิ่งกันอีกว่าฉันทุบสู้เธอไม่ได้มาโชกมวยกันดีกว่าโชคไปโชคมาบาังเอิญถูกเขานอกอีกก็ร้องไห้อีกเพราะเราอยากชนะเราแพ้ดับทุกดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์คือตัวตันหาตัวตันหาดับยังไงต้องรู้เท่าทันกิเลศ รู้เท่าทนกิเลสกิเลสพัฒนาไปสู่ตัณหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนี่แหละเราไปเห็นกิเลสเราสัตว์แต่ว่ารู้สัตแต่ว่าเห็นเรากําลังดับตัณหาเราโดยรู้เท่าทันกิเลสไม่ใช่ไปนั่งสมาธิกดมันสงบสงบสงบอันนั้นนะ่ะยาพลากดสปริงกดสปริงสงบสงบนะสงบอยู่ไม่อยากจะเอ่ยอันนี้ถึงแต่ว่า เพราะครูไม่มีเจตนาล้ายนะบังเอิญว่าท่านแสดงธรรมครั้งใหญ่อาจารย์มิโซเราเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิผู้น้องพ่อครูก็ได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชานะกดเป็น38ปีนะเด้งผางเลยเราต้องทำลายสปริงซะทำลายมันนะดึงไปเรื่อยๆดึงเรื่อยๆเรื่อๆพอมันทำลายแล้วเป็นเหล็กเส้นหนึ่งไม่ต้องกดเลยสงบตลอดการสู้ความจริง ถ้าเราเข้าถึงอริยสัจสี 4, เราจะรู้ว่าเหตุสาเหตุต้นเหตุมันมาเราไม่แก้ที่ปลายเหตุปวดหัวก็กินยาพาราผลิตยามันหมดก็ปวดอีกถ้าเราไม่เลิกคิดเห็นไหมทำไมพ่อครูไม่ปวดยี่สบหกปีมันไม่ต้องคิดเลยมันไม่มีอนาคตมันไม่มีความอยากมันจึงไม่ต้องคิดที่เราคิดเพราะเรามีความอยากเราคิดวางแผนคิดมันก็เป็นสร้างมโนกรรมแล้วก็ใช้มันความคิดมากกันไปตอนนี้เขาเข้าใจผิดนะมีคุณยายคนหนึ่งมาที่นี่ เราทำพิธีอะไรอยู่ฐานผ้าใหญ่เสร็จแล้วคุณยายก็กดดเล่นเกมไอ้บอกลูกหลานบอกว่ายายต้องเล่นเดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์ถ้าไม่เล่นเพราะครูไม่เห็นด้วยปธานาดิปดีเลกันเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าคิดมากเราใช้มันมากต่งหากมันโทมเข้าใจผิดนะใช้มันมากมันโทม มันตามอายุไขของมันคนโบราณสมัยก่อนเขาไม่เคยคิดเลยอายุยืนเขาจำได้หมดเนี่ยวิทยาศาสตร์ไงไปคิดแบบตักกะคุณจะให้คนแก่พัฒนาสมองหรือว่าให้เขาเต้นเต้นๆให้เขาสาวขึ้นมาเหรอมีต่โ o o m ้นไปอีกไม่ใช่ใช้จิตเต้นนะถ้าเต้นเพราะอยากแข็งแรงอยากเนี่ยนะมันจะทำให้เราโ o มนะก็ บางที่เราดูเราบอกเรารู้รู้คุณก็รู้ไงแต่คุณยังรู้ไม่ทะลุป้องคุณรู้ว่าไอแดงมันร้องไห้เพราะมันล้มไงคุณรู้ว่าไอแดงมันล้มเพราะมันวิ่งไวเกินไปไงจริงๆแล้วมันเป็นเพราะมันอยากชนะตั้งหากมันมันไม่อยากมันไปแข่งทำไมล่ะเห็นไหมล่ะมันต้องแก้ที่ต้นเหตุตรวนั้นนั่นแหะมันมันถึงไม่ทุกเนาะก็ จุดจบของชีวิตก็คือความตายแต่ความตายในที่ตายในชาตินี้ไอ้ความเป็นคนเนี่ยตายนะมันอาจจะเกิดเป็นลิงก็ได้ก่อนเป็นคนเราอาจจะเป็นเสือเป็นหมูเป็นหมา ก, กันในกแล้วแต่มันตายในชาตินี้จุดจบเราชาตินี้คือตายบรรดับสูนในเรื่องแง่มีชีวิตแต่จิตไม่มีวันตายเห็นไหมมันยังไปอีกนะนี่แหละคือไม่มีปฐมเหตุมันเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป้าหมายของชีวิตคืออะไร ไหมความสุขไหมชื่อเสียงไหมไอ้อไม่ใช่ความสุขไหมความรวยไหมนะถ้าเราบอกความสุขไม่ผิดแต่ถ้าความสุขหมายถึงความรวยความมีชื่อเสียงเนี่ยเขาสรุปแล้วไงวิทยาศาสตร์สรุปแล้วไง70ปีอยากได้อะไรก็ได้เพราะคนในชุมชนนั้นน่มหาเศรษฐีก็มีอะไรเมีหมดทุก ท, ก ท, กทกุทุกหมดแล้วเขาสรุปว่ามันไม่ใช่สุข พอเขาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเขาก็แค่ไปตั้งชมรมอะลรอยู่ด้วยกันคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันแล้วเป็นจิตอาสาด้วยเขาบอกเขาสุขสุขไม่ใช่เพราะเขามีชื่อเสียงสุขไม่ใช่เพราะว่าเขารวยแต่เขาสรุปอย่างนั้นนะนะถ้าเราเข้าใจตอนนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่หลงทางชีวิตเจปีแล้วค่อยบอกว่าฉันหลงทางตอนนั้นเสียดายชีวิตพวเพราะคูถึงเน้นบอกว่าอย่าอดทนทํางานเพื่อความสุขจงทําตนให้มีสุข เมื่อได้ทำงานน ะ, มะเมล็ดพันธ์มเมล็ดพันธ์เราไปปลูกถ้ามันมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีอาหารที่เหมาะสมปุ๊บมันก็จะโตขึ้นเป็นต้นไม้เห็นไห ม, มเมล็ดพันธ์เน่พันธ์นี่คือพันธุ ก, กรรมของมันนะใช่ไหม แต่ถ้าม่เรียบันเนี่ยมันแห้งมันตายแล้วเนี่ยมันมันไม่เกิดนะถ้ามันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณอ่ะนะมันต้องผสมกับพวกนี้นะบวกกับอุณหภูมิที่เหมาะสมไหมพอมันโตปุ๊บฤดูการเห็นไหมถ้าไม่ถึงฤดูการอุณหภูมิไม่คงที่มันไม่ออกดอกมันไม่ออกผลเห็นไหมมันไม่ต้องเรียนเข้ามหาวิเลยนะมันรู้ชีวิตนะมันก็ออกผลทีนี้พอถึงเวลาหนึ่งฤดูใบไม้ร่วง มันก็ร่วงผัดใบมามาปกคลุมดินรักษาความชื้นแล้วก็ค่อยๆ ย, ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเลี้ยงต้นแม่มันอีกไอ้ลูกผลไม้ถ้ามันหล่นลงมาผลาไม้หล่นไม่ไกลต้นถ้ามันอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสมมีอาหารปุ๊บมันก็โตอีกมันไม่เรื่องมากนี่คือระบบชีวิตในวัฏฏะสงสาร ถ้าเราปล่อยให้เป็นตามตามกระแสกรรมมันก็ไปเรื่อยๆทีนี้ผู้รู้เขาไปเจอวิธีตัดกระแสกรรมกรรมตัวตัวกาหนดทั้งหมดนะเปลี่ยนบันทึกกรรมใหม่เนี่ยเรามาเรามาล้างมันออกแล้วก็เวลาที่เหลือนี่หลีกเลี่ยงการสร้างกรรมใหม่เราทำได้แค่นั้นเมื่อไหร่ความพร้อมมันพอ มันก็จัดสรรโดยตัวมันเองเมืม่อไหร่พร้อมปุ๊บมันก็ออกดอกเมื่อไหร่พร้อมปุ๊บมันก็ออกผลนี่คือระบบธรรมชาติไงแต่เนื่องจากวิทยาศาสตร์เราเอาความเก่งเราเนี่ยเราไปวิจัยแบบแยกส่วนจำแนกแยกแยะอันนี้ไปขแขนงนี้ขแขนงนี้ขแขนงนี้ค ณ, ณะฟิสิกส์นี่ฟิสิกส์ก็แยกเป็นหลายขแขนงหลายหลายนั่นทุกคนรู้เรื่องเดียวถ้ารู้เรื่องเดียวนะมีเศรษกิจอย่างเดียวนี่อยู่ได้ไหมไม่ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่มันหนาวตาวตายเลยนะ แต่เมล็ดพันธุ์มันรู้ไงเห็นไหมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันมีมันมีทั้งเมล็ดพันธุ์นี่เปรียบเสมือนตัวจิตนะส่วนพันธุกรรมมันเนี่ยเปรียบเสมือนกรรมน่ยเออเมล็ดเมล็ดปลูกขึ้นมาทํำไมกลายเป็นมะม่วงเห็นไหมมันมีพันธุกรรมเป็นมะม่วงมันก็ออกตามกรรมของมันชีวิตเราก็เหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจเราเราจะเข้าใจสปปรรพสิ่งเราจะเข้าใจสปปรรพสิ่งมันก็เหมือนกันแต่ตอนนี้วิทยาศาสตร์มาทําให้มันเพียนเพราะเราจะชนะธรรมชาติเราก็สร้างองค์ความรู้ต่างๆแต่สุดท้ายเราชนะไม่ได้เก่งแค่ไหนก็ตายตวันนี้พ่อครูก็เน้นดังนี้ให้เราเข้าใจว่าอะไรคือความสุขสําหรับพ่อครูแล้วพูดดังๆว่าความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระ อิสระที่คุณฝรั่งบอกวันแรกเข้ามาที่นี่ผู้ขู่ถามว่า What are you looking for เขาบอก Peace บูกโอเคไปได้เมือ่อวานนี้เพิ่งสรุปเคยเห็นคำว่าฟิตเนสก็ดีใจมากก็เลยบอกว่าอิสระจากอะไรนะเสรีจากอะไรจากของคู่จากความสุขกับความทุกข์จากความดีกับความชั่ว เรายอมรับมันทั้งหมดแต่เราไม่ไปติดมันเท่านั้นเองเพราะของคู่เราหนีมันไม่พ้นมีผู้หญิงผู้ชายมีอินมีหยางมีขั้วบวกขั้วลบเพียงแต่ว่าเรารู้เท่าทันมันไม่ไปหลงติดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นลหละคือความ peaceful ไม่ได้ยากอะไรนะง่ายที่สุดแต่กลายเป็นเรื่องยากที่สุดเพราะกิเลสความเคยชินเราไม่ยอมอัตตาทิฏฐิมานะเราไม่ยอมบางคน ไม่ชอบใจไม่พอใจฉันไม่ชอบก็เป็นสิทธิแต่ไม่มีสํานึกกับองค์กรครูก้อยเนี่ยถ้าใครไม่ทําตามนี่น่ยออกไม่ใช่แค่ไล่ออกก็มาคุณไม่ทําตามคุณไปอยู่ทําไม300รอคนมาที่นี่มียี่สิคนไม่มาออกไม่ใช่แค่โหดไล่เพราะคุณไม่มีเสียสละเพื่อองค์กรเมื่อเป็นนโยบายองค์กรแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารเขาต่อสู้มาทั้งหมดเขาก็รู้ว่า มันแก้ไม่ได้ถ้าคนเรามีสำนึกหน่อยหนึ่งนะเสียสละเพื่อองค์กรถึงจะชอบไม่ชอบเราก็ทำเดี๋ยวทำแล้วเนี่ยเนื่องจากอันิสงส์ที่เรายอมเสียสละเดี๋ยวเราก็ได้จริงๆเห็นไหมโดยเฉพาะท i ไ c ซีนี่มีคนที่เขาเป็นห่วงนะมาคุยกับพ่อครูอยู่ <c oughs> คือเขาเห็นอดีตบางทีถูกบ้างผิดบ้างนะ พ่อคูว่าเอ ก, ก็ลองมาไงอย่าเพิ่งด่วนสรุปก็ลองมา4ปีก็ดูซิมันคืออะไรเราดูผลมันก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันคืออะไรแม้กระทั่งวันนี้อย่าเพิ่งสรุปนะถ้ายัางเดินไม่ถึงที่สุดนะ่ะแต่เราต้องรู้ว่าทุกคนเนี่ยในส่วนตัวเราในมีอะไรดีขึ้นไหมสมัยก่อนพ่อกูไม่เคยเห็นหรอกบรรยากาศที่มานนั่งปั้นในลูกกล ม, กลมด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างทํางานพ่อคูจําไม่ได้ว่าวันแรกที่ค่อครูพิธีอเจสีเนี่ยก็พาพ่อคูไปเดินรอบเอาพ่อคูไปตรวจร่างกายเนี่ย พวกคูสัมผัสอารมณ์ได้เป็น ISO ซึ่งไร้วิญญาณเหมือนเราเข้าไปเซเว่นกิ๊งกองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะไม่ได้มองหน้าเราเลยนะคนพูดก็เครียดนะถูกบังคับให้พูดเป็นแค่ฟันเฟืองมนุษย์เราเป็นแค่ทรัพยากรถ้ามนุษย์เท่าแค่ทรัพยากรก็ไปต่างอะไรกับปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักก็ทรัพยากรมนุษย์เราไม่ใช่เหล็กนะเหล็กมันเป็นฟันเฟืองังต้องมีกระปุกเกียร์ต้องมีน้ามันหล่อเลื่อนนะ มันเสียสีกันนานๆนี่มันก็ยังสึกหรอนะเราเป็ น, ปนสัตว์ซึ่งมีมีอารมณ์เนี่ยเราไปจัดเป็นระบบ ISO ซึ่งไร้วิญญาณเดี่ยงหมดไปจบที่ผลงานมันได้จริงเหรอพอมันเดี่ยงแล้วผลงานมันจะดีจริงๆเหรอพ่อครูไม่เชื่อบังเอิญบุญที่ผู้บริหารนี่มีวิสัยทัศน์คือเราลองก่อนไม่ใช่อะไรที่ว่า ป, ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจะถูกมันจะผิดมันจะได้ไม่ได้นะ นะพ่อครูเองเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ใครที่มาเดินสายนี่หลงทางอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่พ่อครูถ้าพ่อครูต้องการให้เขาหลงทางเนี่ยพ่อครูนั่งเฉยเฉยไม่ดีหรอมาเสี่ยงกับนรกทำไมพ่อครูมีปัญญาพอสมควรนะแต่เนื่องจากว่าทิฏฐิมาณะคนเราเนี่ยอัตตาตัวตนไม่ยอมเสียสละเพื่อองก์กร น, นนี้ ครูก้อยเขาเป็นหญิงเหล็กเขาทําได้เขาดูแลคนเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยถ้าเขาไม่เด็ดขาดเนี่ยเขาเมตตามากเขาอยู่กันแบบพี่น้องเขาก็ให้เท่าที่ให้ได้แต่เมื่อเธอไม่ยอมให้องค์กรคืนเนี่ยนะมันมีเพราะคุยเห็นใจบางคนเขาที่แก่ยังไม่พร้อมเมื่อกี้ก็เห็นวิธีนี้แหละโอ้โหสุดยอดแต่เขายังไม่ยอมเปิดตัวเพราะว่าอะไรเนี่ยมันเป็นภาพของาศาสนาอยู่เพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยมีหลายทุกาศาสนาเรียนอยู่ที่นู้น ครูก็มีหลายศาสนาไงครูหลายศาสนาอื่นเขายังทําด้วยนะเพราะเพราะเขาเขารักองค์กรมากกว่าแต่ศาสนาเขาก็ไม่ได้ทิ้งไม่ใช่ว่าเธอปฏิบัติเธอทั้งที่ศาสนาเธอแต่บางคนยึดมัน่นถือมัน่นไม่เอาเลยแกก็ไม่ได้ว่าอะไรพพราะพวกูบอกฟิตเนสบอกแกบอกพร้อมละไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเขาไม่ใช่เฉพาะชีวิตเขาเขาพร้อมที่จะแบ่งปันให้มนุษยชาติละเห็นไหม เมื่อคนเขาทำจริงๆนะแกทำจริงๆนะชีวิตเขาเนี่ยลูกไปเดือนที่อังกฤษเนี่ยตีสามตื่นขึ้นมาแม่ติวลูกเรื่องเช็คแอนแดนส่วนน้าเนี่ยติวเรื่องวิชาการข้ามบทบีทบแกเป็นคนแบบนี้นะแต่ตอนนี้แกเริ่มมองแล้วว่าไอ้แกทาถูกหรือเปล่าคือว่าสมัยก่อนเราเน้นแต่เรื่องเก่งๆใช่ไหมพอปฏิบัติแล้วเนี่ย ไอ้โปรแกรมที่ว่าจะทำห้า0ันล้านลงเรียนนี่แกบอกไม่ทำพี่ชายขอที่เอาไปเลยแกบอกว่ามันไม่ใช่สุขเขาจะทำความสุขต่อไปนี้พร้อมที่จะแบ่งปันแต่ก่อนจะแบ่งปันเราต้องทำให้แตกฉานก่อนเหมือนเราเป็นนักวยศาสตร์ก่อนถ้าเราไม่แน่ใจเราจะแบ่งปันได้ยังไงแบ่งปันผิดนี่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ตกนรกด้วยนะเอาไปนว่าพราะครูไม่ได้คนโง่ที่จะมาหาเรื่องที่ชี้ทางผิดให้เขา นอกจากคนนั้นเขาหลงตัวเองไม่ศรัทธาไม่ฟังคําแนะนําอันนั้นก็เป็นเรื่องสิทธิของเขาแต่ถ้าใครมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยพ่อกูเหลือบมองเห็นพ่อกูเห็นหลงทางพ่อกูจะไปเตือนส่วนเตือนแล้วฟังไม่ฟังก็เป็นสิทธิเนาะชีวิตพ่อกูบั้นปลายเนี่ยที่เหลือเวลาหนึ่งวินาทีก็ทําหน้าที่วินาทีพ่อกูไม่คาดหวังก็เช้านี้ก็ได้รบกวนเวลาทุกคนเนาะก็อย่างน้อยๆอะไรเป็นประโยชน์เอาไปใช้อะไรที่ยังรับไม่ได้ อย่าเก็บไว้ใส่ใจเวียงทิ้งเก okay, นะก็ไปกินข้าวกัน